อาจารย์ครับการอภิษฎการครับผมยารนพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านอาจารย์ครับสองวันนี้คนไปใส่บาตเยอะเลยไหมครับผมเมื่อวานนี้มากเมื่อวานนี้ประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยห้าสิบวันนี้ประมาณ 1, อวนนาณืวันนี้แปดร้อยห้าแปดศูนห้าใช้เวลาสอชั่วโมงใา่ไหมสองชั่วโมงเป็นไปอื แ ต, แต่ยังดีพระอาจารย์ไม่ต้องเดินมากแล้วนะครับผมเอ่าเนี่โชคดีไปเป็นบุญอย่างหนึ่งที่เจ็บไข้ได้ป่วยอะไไม่ต้องนาดเจ็บไข้อะไเป็นบุญแล้วครับพระอาจารย์เป็นโชคขลา่าครับผมพระอาจารย์ครับวันนี้จัดรายการครั้งที่หนึ่งร้ยหกสิบห้าแล้วนะครับอาจารย์เนื่องจากว่าเมื่อวานนี้เป็นวันอาสาฬหาบูชาครับ วันนี้ก็เลยจะกล่าวขอปัญญาจากพระอาจารย์เรื่องเกี่ยวกับวันอาสาฬหบูชาเราควรจะรู้ทําอะไรบ้างแล้วควรจะปฏิบัติอย่างไรครับกลาวขอความเมตตาพระอาจารย์ครับความจริงวันอาสาฬหบูชานี้ก็คือวันเกิดนี่วันเกิดของพระพุทธศาสนาตอนนี้พระพุทธศาสนามีอายุกี่ปีแล้วก็เอาพุทธศ 67, ักราช2567บวกกับอีก45ปีเพราะว่า พุทธเจ้าทรงประกาศแสดงพระธรรมขั้งแรกในวันนสาราบูชา45ปีก่อนที่พระ อ, องค์จะเสด็จดับคันทัปานิพางนงั้นเราก็เอา 2,567 บวกกับ45ปีนี้เราก็ได้อายุของาศาสนาเท่ากับ 2,612 ปีด้วยกันก็เลยประมาณครึ่งหนึ่งกกอนครึ่งขัด น้อยกว่าครึ่งนิดหน่อยก็จะครบห้าพันปีที่ศาสนานี้จะอยู่ให้เป็นที่พึ่งของโลกได้ตามคำพยากรณ์ของพระพุทธเจ้าการที่จะมีพระพุทธศาสนาเกิดขึ้นหน้านี้ต้องมีองค์ประกอบสามองค์ประกอบที่สำคัญก็คือพระพุทธพระธรรมและพระสงฆ์เป็นเหมือนกับสถาบันการศึกษาที่ต้องมีผู้ก่อตั้งสถาบัน แล้วก็มีครูอาจารย์ที่จะมาทำหน้าที่ช่วยผู้ก่อตั้งสั่งสอนวิชาความรู้ต่างๆให้กับผู้ที่สนใจเังนวันวั น, ว, นวันอส า, าราบูชานี้เป็นวันที่มีองค์ประกอบที่ที่ต้องมีในการที่จะทำให้มีสถาบันการศึกษาคือพระพุทธศาสนานเกิดขึ้นมาได้ เบื้องต้นก็เกิดจากการตัดสินของพระพุทธเจ้าก่อน พ, พุทธเจ้าทรงตัดสินเมื่อสองเดือนก่อนคือวันวันเพ่นเดือนหกวันวิสาขาบูชา mm hmm. แล้วหลังนั้นหลังจากนั้นสองเดือนคือวันนี้คือวันเมื่อวานนี้หลังจากที่ได้ส่งพิจารณาดูว่าควรจะสอนหรือไม่ควรสอนก็เห็นว่าพอที่จะสอนบุคคลบางคนพวกได้ พอมีบุคคลที่มีมีอินทรีย์เนื้อมีสติปัญญาความรู้ความสามารถที่ลดหลั่นกันไปมีพวกที่สามารถที่จะรับทําได้ทันทีทันใดบรรลุทําได้ทันทีแล้วก็มีพวกที่มีปัญญาสติปัญญาสมาธิลดหย่อนลงมาก็จะต้องใช้เวลาสักวัะหนึ่งถึงจะสามารถที่จะ มรรลุธรรขั้นต่างๆได้ก็มีแบ่งไว้สีย่ยำพวกด้วยกันพวกบัวสี่เหล่าพวกแรกก็เป็นพวกบัวเหนือน้ำนี่ก็พวกที่เป็นนัก บ, บวชที่มีทั้งศีลมีทั้งสมาธิพร้อมแล้วขาดเพียงปัญญาที่ไม่มีใครรู้ได้นอกจากพระพุทธเจ้าก็เหมือนดอกบัวที่บะที่นึกโผกขึ้นมาเหนือน้ําแล้วต้องรอแสงสว่างของพระอาทิตย์ถึงจะสามารถบานขึ้นมาได้ พวกนี้คือเป็นพวกนักบวชในรัฐที่ต่างๆที่ฝึกสมาธิรักษาศีลแต่ไม่มีปัญญาที่จะมาไดใช้ดับความทุกข์ได้รู้จากวิธีดับความทุกข์ได้ด้วยการจะเข้าสมาธิก็เป็นการดับความทุกข์เป็นชั่วครัง้งชั่วคราวพอจากสมาธิมาความทุกข์ก็กลับคืนามาเลยมีพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์แรกที่สามารถค้นพบสัจธรรมความจริง เหตุของความทุกข์ว่าเกิดจากปัญหาความอยากเ่าทรงเห็นว่าการจะกำจัดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากให้ได้และการที่จะหยุดความอยากได้นี่นก็ต้องมีศีลสมาธิปัญญาศีลก็ศีลสมาธิผู้ฟังคือนั่งบวชก็มีอยู่แล้วขาดปัญญาปัญญาคืออะไรก็อริยสัจสี หรืว่าทุกใจเกิดจากตัณหาความอยากเรารู้ว่าสิ่งที่ใจอยากนั้นมันไม่เที่ยงมันเป็นอนิจจังอนัตตาถ้าประหยัดในสิ่งที่ไม่เที่ยงอาจจะได้ความสุขในช่วง แ, แรกๆแต่เดี๋ยวสิ่งที่ได้มาให้ความสุขก็จะเปลี่ยนไปหรือหมดไปพอเปลี่ยนไปหมดไปก็เกิดคำเศร้าขึ้นมาเช่นลาบนสรนละเสรเนี่ยเช่น ตำแหน่งสวอะไรพวกนี้เวลาได้มามันก็มีความสุดีอย่างที่เราก็มีภูมิคุ้มกันอยู่ว่ามันไม่เทีย่ยงหรือว่ามันของชั่วคราวเปน็นอนัตตามันจะจบเมื่อไหร่ก็ไม่รู้มันจะครบาวาระหรือมไม่ด้วยไมใครรู้ใช่ไหม อ, อย่างนั้ก็เราเตรียมตัวเตรียมใจตลอดเวลา อ, อย่างนี้ก็แสดงว่าไม่ได้มีความยึดติดไม่มีความอยากที่ ให้มันอยู่กับเราไปตลอดเวลามันจากเราไปมันก็จะไม่ทุกข์ น, นั่นคือปัญญาต้อเห็นทุกสิ่งทุกอย่างที่ตัณหาต้องการความอยากต้องการเป็นตายรักเป็นทุกข์ทุกข์เพราะมันไม่เที่ยงทุกข์เพราะว่าเราไม่สามารถควบคุมให้มันเป็นของเราเอาอยู่กับเราไปได้ตลอดเม่ช้าก็เร็วก็ต้องมีการพัดพากจากกันเป็นธรรมดาพอพัดพา ก, กจากกันก็จะทําให้เราทุกข์เนี่ย นั่คือสิ่งที่พระเจ้าทรงตัดทรงผลพบว่าความอยากเป็นต้นเหตุ ข, ของความทุกข์ใจการที่จะหยุดความอยากได้ก็ต้องมีปัญญาเห็นสิ่งที่อยากเป็นตายรักทุกอย่างในโองนี้นเป็นตายรักหมดนามยศสรรเสริญโนบเสียงกินยวกับถอดพระร่างกายเมตนาอารมณ์ต่างๆอยู่ภายในจิตนีน้มันเป็นตายรักทั้งนั้นถ้าไปอยากให้มันมาให้ความสุขกับเรามันก็จะต้องทุกข์ เพราะว่ามันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมามีขึ้นมีลงงัถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากกับสิ่งเหล่านี้อยู่แบบไม่มีอะไรอันนี้คือสิ่งที่ทรงตัดสินว่าแลนำมาสอนกลุ่มแรกที่ตั้งใจมาสอนก็คือพวกนักบวชได้แต่พระประจัจจวัคคีพวกนี้เขามีศีลมีสมาธิพร้อมแล้วที่จะรับแสงสว่างแห่งปัญญา เปรียเหมือนวัวที่อยู่เหนือนมนะ้มแล้วรอแสงสว่างของดวงอาทิตย์ก็จะทำให้บานขึ้นมาเพราะพระพุทธเจ้ามาทรงแสดงโปรดพระปัญจวัคคีหลังจากที่ทรงแสดงอริยสัจ ส, สีม่มรรปดตายรักจบลงหนึ่งในพระปัญจวัคคีก็มีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นนะเห็นตายรักเนี่เห็นเห็นขันคือรูปประขันเห็นร่างกายว่าเป็น อันนี้จำทุกขงังอนัตตาเห็นเวทนาสัญญาสัมคายัญญาเป็ น, ป น, นอัตตาก็ละความยึดติดในร่างกายไนดะ้ละความยึดติดในเวทนาที่ออกมาจากทางร่างกายไนดะ้เวลากิดทุกขเวทนาก็ไม่ทุกขกับมันเวลาร่างกายจะตายก็ไม่ทุกขกับมันเพราะปล่อยวางพราะรู้ว่าร่างกายไม่ใช่สิ่ง ที่จะไปควบคุมบังครับให้มันอยู่กับเราให้ความสุขกับเราไปได้ตลอดวันใดวันหนึ่งมันก็ต้องมีวันสิ้นสุดลง mm hmm. ก็วันนี้เป็นพระโสดาบันขึ้นมาเป็นนอริยะพระอาริยะบุคคลคนแรกของพระพุทธศาสนาพอมีพระพุทธเจ้ามีพระธรรมคําสอนและมีพระอาริยะบุคคลแล้วก็เท่ากับ พระพุทธศาสนาก็สามารถดําเนินกิจการไปได้นที่นี้เพราะมี mm hmm. องค์ประกอบพร้อมที่จะเป็นสถาบันให้การศึกษากับผู้ที่สนใจได้ mm hmm. ถึงแม้จะไม่มีพระพุทธเจ้าต่อไปอาจจะไม่มีพระพุทธเจ้ า, า, จจพพ เ, จาเพราะท่านก็มีอายุไม่เกินแปดสิบปีทั้งนั้นหลังจากโลกนี้ไปแต่ท่านสร้างตัวแทนขึ้นมาก็าคือพระอรลัยสองสาต่างๆ เมืองต้นนี้พระเจ้าทรงฉลาดทรงเน้นไปสร้างพวกอริยสงสาว ก, ก่อนไปสอนพวกบววเหนือน้ำก่อนอย่ามุ่งไปสอนตามสำแนักของนัที่ต่างๆที่มีศีลที่มีสมาธิอยู่แล้วแต่ไม่มีปัญญาพอแสดงธรรมให้ก่รนันที่ใดก็ตามพอแสดงธรรมจบผู้ที่มาฟังบางทีทั้งหมดก็บรรลุเป็นพระอาหารหันต์กันขึ้นมาเล สามารถทำหน้าที่แทนพระพุทธเจ้าได้ต่อไปถ้าเกิดพระพุทธเจ้าสิ้นลมไปเมื่อไหร่ก็ยังมีตัวแทนที่จะมาทาหน้าที่นี้ควบคู่กับพระธรรมคำสอนที่ได้สงแสดงไว้อริยสัจสีใต้นักที่พระอหรหันพระอริยสงสารทุกคนนี้จะรู้จะเข้าใจจะไม่หลงไม่ลืมก็สามารถมาทาหน้าที่ในการเผยแผ่ มเพื่อให้ผู้ที่ปรารถนาการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ศึกษาได้ปฏิบัติได้ได้หลุดพ้นกันตามลำดับนี่ก็คือวันสาราบูชา ว, วันก่อตั้งก็ได้วันเกิดของพระพุทธศาสนาก็ได้เมื่อมีพระพุทธศาสนาแล้วก็เหมือนกับมีหมอมีโรงพยาบาลสิริอา่อย่างนี้นคนที่มีโรคภัยไข้เจ็บต่างๆก็มีที่พึ่งแล้วไปหาหมอไปหาโรงพยาบาล เป็นโรคอะไรตา่างๆหมอก็รักษาพยาบาลให้หายได้เมื่อก่อนนี้ไม่มีโรงพยาบาลไม่มีหมอคนก็ต้องอยู่ไปตามบุญตามกรรมชั้งใดสารโลภ ก, ก็เหมือนกันก่อนที่จะมีพระพุทธศาสนาในสารโลภ ก, ก็ยังต้องติดอยู่ในความทุกข์แห่งการเว้นว่าตายเกิดอยู่ทั้งหมดไม่มีใครยกเว้นไม่ว่าจะเป็นมนุษย์เป็นเทวดาเป็นอินเป็นพรหม หรือเป็นในรากษนเป็นเปรตเป็นสุลกายสัตวแบบนี้ไม่มีไม่มีการหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ไม่มีสามารถหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ด้วยตนเองและไม่มีสถาบันที่จะมาสอนให้หลุดพ้นได้แต่พอมีพระพุทธเจ้ามาตรัสและมาประกาศพระธรรมคําสอนสร้างพระอริยสงสาวุกขึ้นมาทีนี้ก็เหมือนมีโรงพยาบาลมีแพทย์มีพยาบาลมียารักษาโรค โรคของใจก็คือความทุกข์ใจให้หมดสิ้นไปได้คาจัดต้นเหตุของความทุกข์ใจก็คือกิเลสตัณหาที่ทําให้ใจทุกข์แล้วก็ทําให้ใจกลับมาเกิดแก่เจ็บตายอยู่เรื่อยๆพอรักษาพยาบาลด้วยมรรคก็คือม 8, รรคแปดด้วยศีลสมาธิปัญญาศีล ส, สมาธิปัญญาก็จะทําลายเชื้อโรคที่สร้างความทุกข์ให้กับใจ ก็คือตัณหากิเลสตัณหามโหวอวิชาให้หมดสิ้นไปจากใจพอไม่มีเชื้อโรคแล้วจิตก็ปราศจากความทุกข์จิตก็หลุดพ้นจากความทุกข์จะเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อมีโร ง, งพยาบาลของทั้งของจิตใจก็คือมีพระพุทธศาสนาเนี่แหละที่จะมาเยียวยารักษาโลกของใจได้ไม่มีสถาบันใดในโลกนี้ไม่มีศานในในนสานาใดในโลกนี้ที่จะสามารถ สอนให้ใจหนุดพ้นจากความทุกข์ได้เน่าจากศาสนาพุทธนี่เพียงศาสนาเดียวเท่านั้นเองคนที่นับถือศาสนาอื่นๆ อ, อยู่ในประเทศที่เจริญกว่าเราเยอะแยะก็ยังต้องหันมาเพิ่งศาสนาพุทธนีชาวต่างชาติเดินทางมาจากหลายประเทศด้วยกันมาศึกษามาบวชมาปฏิบัติแล้วก็มาบรรณุเป็นพราอรยบุคคลกัน ไม่มีที่ไหนในโลกนี้มีประเทศมีประเทศไทยเนี่ยที่เป็นที่ตั้งของโรงพยาบาลของโลกใจ่คือพระพุทธศาสนาเป็นประเทศเดียวที่มีความพร้อมในทุกทุกด้านพร้อมทั้งด้านฝ่ายผู้สนับสนุนคือชาวพุทธเหล่านี้ยินดีศรัทธานในพระมากใครบวชพระนี่ถ้าไม่มีเงินบวชนี่มีคนอาสาสมัครรับเป็นเจ้าภาพกันเยอะแยะไปห ม, มด ยินดีที่จะสร้างวัดสร้างอะไรต่างๆสนับสนุนยินดีที่ะจะไหวปัจจัยสี่เนี่ยบิดบบาบัมันต้องเมื่อวาในใ้คนต้องพันคนขึ้นไปพันกว่าคนขึ้นไปไม่มีที่ไหนในโลกนี้ที่ทําบุญทำทานเหมือนประเทศไทยกับพระสงฆ์องค์เจ้ากับพระพุทธศาสนาเห็ชาวต่างชาติที่ต้องการที่จะศึกษาปฏิบัติก็ไม่มีที่ไหนที่เขาจะเลือกนอกจากประเทศไทย แล้วก็มีครูบาอาจารย์ในพระเรอะสองสารองเยอะแยะไปหมดที่จะสามารถสอนให้หลุดพ้นจากความทุกข์ได้นี่แหะคือเรื่องราวของวันมาสาราบูชาก็เรื่องของการก่อตั้งเรื่องเรื่องของวันเกยของพระพุทธศาสนาที่มาทําหน้าที่ช่วยเหลือให้สัตว์โลกที่ตกอยู่ในกองทุกข์ได้หลุดพ้นจากกองทุกข์ได้อย่างราบคาบอย่างท้าวอ พวกเราจึงต้องถือว่าเป็นพวกที่มีบุญมีวาสนาเป็นอย่างยิ่งที่ได้มาเกิดในประเทศที่มีพระพุทธศาสนาที่พร้อมที่จะสอนให้เราได้หลุดพ้นจากกองทุกข์แห่งการเวียนว่ายตายเกิดได้นั้นเราไม่ควรที่จะปล่อยโอกาสอันเลิศอันประเสริฐอันงาม น, นี้ให้หลุดไปโดยไม่ได้เอาตักตัวผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาวิธีที่จะรับผลประโยชน์จากพระพุทธศาสนาก็คือ ทำตามคำสอนสามขั้นตอนด้วยกันก็คือหนึ่งให้ศึกษาพราะทำคำสอนของพระพุทธเจ้าโดยเฉพาะเกี่ยวกับเรื่องที่เกี่ยวกับเรื่องของการหลุดพ้นจากความทุกข์ก็ศึกษาอริยสัจสี่กับศึกษาไตารลักนี้ก็พอไม่จําเป็นยังตักศึกษาพระไตรปิฎกทั้งหมดนะถ้าอยากจะหลุดพ้นจากความทุกข์เอาแค่อริยสัจสี่ไตรลักท่านี้นะนำมาไปปฏิบัติให้ได้ ปฏิบัติได้เราก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์ที่เราเห็นว่ายตายเกิดมาเป็นเวลาอัญยาวนาก็จะสิ้นสุดลงถ้าเราไม่ศึกษาไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่บรรลุต้องศึกษาแล้วก็ปฏิบัติปฏิบัติแล้วก็จะบรรลุหลุดพ้นจากอกทุกวิมุติหลุดพ้นถ้าหลังจากนั้นเราก็สามารถทําประโยชน์ให้กับโลกต่อไปได้ด้วยการเป็นครูเป็นอาจารย์สั่งสอนวิธีของการ หลุดพ้นจากความทึกขว่าจะทําปฏิบัติอย่างไรซึ่งก็เป็นแนวทางของพระอ น, นิญาตสองสาวกมาตั้งแต่ ย, ยกสมัยพระพุทธเจ้านับตั้งแต่พระพุทธเจ้าองค์แรกพอพระ อ, องค์ทรงหลุดพ้นแล้วพระ อ, องก็ทรงเอาความรู้ที่เปเผยแผ่ให้กับผู้ที่ไม่รู้ต่อไปแล้วพอผู้ที่ไม่รู้มาศึกษามาปฏิบัติก็บรนุหลุดพ้นจากความทุกข์พอหลุดพ้นแล้วก็มีเวลาว่างเหออยู่ก็เอามาเผยแผ่ ธรรมะ ส, สั่งสอนกันทายทอดกันมาเป็นยุคยุคจนกระทั่งถึงยุคปัจจุบันนี้ศา ส, สนาของเราถ้ามีการศึกษามีการปฏิบัติมีการบรรลุธรรมอย่างต่อเนื่องนี้ก็จะอยู่ได้อย่างแน่นอนห้าพันปีหรืออาจะมากไปกว่า น, นั้นก็ได้แต่ถ้าไม่มีการศึกษาไม่มีการปฏิบัติไม่มีการบรรลุถึงแม้จะสร้างฐาวบริ ว, วราร ต, ต, ต่างๆวัตถุต่างๆเต็มไปหมด สร้างวัดใหญ่โตสร้างโบสถ์ใหญ่โตสร้างพระพุทธรุปองค์ใหญ่โตสร้างเจดีย์ยอดเยี่ยมคนนึงท้าวโรห์และวัตถุเหล่านี้ไม่สามารถที่จะทําทให้พระพุทธศาสน า, ย, ายั่งยืนอยู่ไปได้นานอยู่ได้ก็แบนเพียงแต่เปลือก ค, คนอาจจะมาเห็นโบสถ์เห็นเจดีย์เห็นว่าพระพุทธรูปแต่ไม่สามารถรับประโยชน์จากสิ่งเหล่านี้ได้ไม่สามารถอดทนจากการประกาศพระพุทธรูปเรื่องการ อพระเจดีย์ได้ยั้นขอพรพวกเราอย่าหลงประเด็นว่าศาสนาพุทธนี่อยู่ที่ไหนศาสนาพูทธไม่ได้อยู่ที่ถาวรและวัตถุตอนที่พุทธเจ้าก่อตั้งศาสนาขึ้นมาไม่มีถาวระวัตถุเลยแม้แต่ชิ้นเดียวแสดงธรรมในป่าในใต้โคนไม้ไม่มีโบสถ์ไม่มีเจดีย์กุฏิมีหานก็ไม่มีสมยัยนั้นท่านก็อยู่ตามโคนไม้กัน แต่มีทำมีาศาสนาปรากฏขึ้นมามีการหลุดพ้นจากกองทุกขแห่งการเรียนว่ายตายเกิดไม่ได้ขึ้นอยู่กับทาวลวัตถุต่างๆมีก็ได้ไม่มีก็ได้ท้าวลวัตถุอย่าไปนลงประเด็ น, นวัฏฏมาสร้างทาวลวัตถุกาจำเริ่มสร้างพระอริยบุคคลในใจของเราอันนี้แหละคือสิ่งที่พวกเราต้องมาสร้างกันให้ได้ก็คือสร้างพระอริยบุคคลให้เกิดขึ้นในใจของเรา แล้วก็จะสร้างได้ก็ต้องตกอดจากการปฏิบัติตามคำสอนศึกษาแนวทางของการดับทุกข์ศึกษาแล้วก็นำมาปฏิบัติพอปฏิบัติแล้วการดับทุกข์ในระดับต่างๆก็จะปรากฏขึ้นมานี่นะก็เรื่องของวัรดาศรร า, ามูชาเราคิดว่ามีประเด็นความสำคัญก็อยู่เพียงเท่านี้ ตอนนี้ฟังแล้วสงบใจได้มากเลยครับอาจารย์ครับอขอบคุณอาจารย์ครับอาจารย์ครับจะขอโอกาสถามคำถามจากาเพื่อนๆบ้างนะครับคุณแว่นครับคนทั่วไปจะกลัวตายมากกว่ากลัวเกิดส่วนพระอริยะกลัวเกิดมากกว่ากลัวตายดังนั้นจะทําอย่างไรให้ตายแล้วไม่เกิดอีกครับเพราะเกิดมาทีไรก็มีทุกทุกทีครับก็ต้องอยุติเหตุที่พายเรามาเกิดกัน เหตุที่ปัจยเรามาเกิดกันพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงไว้ในอริยสัจสี่แล้วคือสมุทยัยสมุทัยได้แก่การมาตัญหาภาวะตัญหาและวิภาวตัญหาการมาตัญหาก็คือความอยากหาความสขจากรูปเสียงกลิ่นรสผัสะการจะมีความหาความสดจากรูปเสียงได้ก็ต้องมีตาหูจมูกเล่นกายก็ต้องมีร่างกายจิตจิตจิตเป็นผู้เสพนะแต่ไม่เห็นร่างกายไม่ได้เป็นผู้เสพรูปเสียงกลิ่นรส จิกคือดวงวิญญาณ่านดูที่มีกิเลสฝังอยู่ในในธานุดูนี่คือมีความอยากเสียงรูปเสียงกลิ่นเมื่อมีความอยากก็ต้องไปหาร่างกายเป็นเครื่องมือเหมือนคนที่อยากจ ะ, ะดื่มสุราหาความสุขจากการดื่มสุราก็ต้องไปซื้อสุรามาดื่มแต่ก่อนจะซื้อสุรามาดื่มก็ต้องมีร่างกายก่อนเป็นเครื่องมือที่จะใช้ในการดื่ม พระจิตไม่มีร่างกายจิตไม่มีตาหูจมบกเล่นกายเลยต้องพึ่งร่างกายก็เลยต้องมาเกิดมาครอบครองร่างกายมาจุติในในคันเวลาที่มีการผสมพันธนะุ์นักเกิดการก่อตั้งร่างกายขึ้นมาดวงวิญญาณที่มีปัญหาความอยากก็จะมาครอบครองร่างกายนี้ทันทีอรอให้ร่างกายคลอดออกมาจะเริ่เติบโตแล้วก็ใช้ร่างกายนี้เป็นเครื่องมือจดินไปจนถึงวันตาย ความอยากก็ไม่หมดมเนี่ยในเสพความสุขเทา่าไรทางตาของจมูกเนื้องกายมันก็ไม่ได้ทําให้ความอยากหมดสิ้นไปแล้วความอยากไม่หมดสิ้นไปพอร่างกายนี้ตายไปความอยากนี้ก็จะพาให้นองวิญญาณมาเกิดใหม่มาหาร่างกายใหม่ถ้าเราอยากจะยุติการเกิดเราก็ต้องยุติความอยากน้าจะยุติความอยากได้ก็ต้องเกิดจากการปฏิบัติมรรคที่มีองค์ปหรืองศีลสมาธิปัญญานี้ ถ้าเรารู้สึกกลัวความตายเราควรจะมีหลักการคิดอย่างไรดีครับก็คิดว่าร่างกายเราไม่ใช่ตัวเราเราเวลาเรามองคนอื่นเนี่ยเราเรกลัวไหกลัวว่าเขาจะตายไหมคนที่เราไม่รู้จักเนี่ยเขาจะเป็นเขาจะตายเราไม่เดือดร้อนใช่ไหมเราก็เรามองร่างกายของเราอย่างนั้นเพราะความจริงมันเป็นอย่างนั้นเราไม่ได้เป็นร่างกายเราเป็นผู้ใช้ร่างกาย คือจิตเนี่ยเป็นผู้ใช้ร่างกายเป็นดวงวิญญาณจิตนี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เป็นผู้ที่มีความสามารถที่จะมาครอบครองร่างกายได้ด้วยการส่งกระแสของจิตมาเกาะที่ร่างกายแล้วก็สั่งการให้ร่างกายทํำลายต่างๆตามความต้องการของจิตเท่นั้นเองถ้เปรียบเทียบง่ายๆก็คือจิตก็เหมือนคนขับรถยนต์มรถรถยนต์ก็เป็นรถยนต์เป็นคนละคนกัน เวลาล้ยนเสียร้อยนพังคนขับไม่ได้เสียไม่ได้พังไปครับรถยนต์ก็เปลี่ยนล้อยนกันใหมนะ่เนี่ยพอกันเก่าพังไปใช้ไม่ได้แล้วก็เปลี่ยนเครื่องใหม่จิตก็เหมือนกันพอร่างกายนี้ตายไปจิตเข้าไปเปลี่ยนร่างกายใหม่เพราะจิตยังต้องใช้ร่างกายเป็นเครื่องมือนในการหาความสุขอยู่ให้มองอย่างนี้มองว่าร่างกายไม่ใช่เราเราไม่ใช่ร่างกายเราเป็นจิตนจิตผูดเราคิด แต่เพียงแต่สอนแค่นี้มันก็ยังไม่มีพอวิธีที่จะทําให้เราเห็นชัดชัดจริงๆเราก็ต้องมาฝึกสมาธิกันถ้าเรานั่งสมาธิจิตรวมเป็นสมาธิหน้าจิตก็จะแยกออกจากร่างกายชัว่วคราวแล้วเราก็จะรู้ว่าจิตคือผู้รู้ผู้คิดแล้วร่างกายก็คือเป็นเหมือนกับก้อนดินก้อนหนึ่งก้อนดินนั่งหล่ น, นงลงไปแล้วพอเราแยกจาก ใจเอาออกจากร่างกายได้แล้วขั้นต่อไปเวลาใจกลับเข้ามารวมตัวในสมาลรวมตัวกันเอาเวลาออกจากสมาธิมาเราก็คอยเตืองใจว่าให้เราไม่ได้เป็นร่างกายนะเราเป็นคนใช้ร่างกายเราเป็นนายกายเป็นบ่าวเราคอยสั่งให้มันทําอะไรแล้ววันหนึ่งมันก็จะต้องกิดการยุติสิ้นสุดลงถ้ามีสมาธิเวลาน่างกายตายหรือเป็นอะไรแล้วก็ทำใจเฉยเฉยอย่าไปทุกข์กับมัน แต่ไปอยากให้มันไม่ตายอย่าไปอยาก lava, ให้มันไม่เจ็บอย่าไปอยากให้มันไม่แก่เท่านี้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันแต่เราห้ามมันไม่ได้เราห้ามมันไม่ให้มันไม่ให้มันแก่ไม่ได้ไม่เจ็บไม่ได้ห้ามมันไม่ให้ตายไม่ได้มันต้องตายเราต้องปล่อยวางปล่อยให้มันเป็นไปถ้าเราปล่อยเราก็จะไม่มีความอยากที่จะมาสร้างความทุกข์ให้ขับใจเราก็เพียงแต่รับรู้เฉยๆไป คุณอชริยะครับถ้าอายุห้าสิบห้าลูกโตอยากบวชแต่สามีไม่อนุญาตแต่จะขอบวชอยู่ดีบาปไหมครับไม่บาปหรืการบวชจะไปบาปตรงไหนป่วยกายใจยังไงให้ไม่ป่วยจิตครับก็อย่างนี้เลยเหตุของการป่วยจิตก็คือความอยากต่างๆนี่ เวลาร่างกายป่วยจิตก็ป่วยด้วยเพราะอยากจะให้ร่างกายหายพอร่างกายไม่หายก็เลยจิตก็เลยป่วยไปด้วยทุกข์ไปด้วยนั้นก็ต้องกจิตออกจากร่างกายว่าร่างกายไม่ใช่เป็นจิตจิตต้องจิตเพียงแต่เป็นผู้ดูแลรักษาร่างกายถ้ามันไม่สบายก็ไปหาหมอไปหายามาถ้าหายก็ดีไปถ้าไม่หายก็ก็ต้องอยู่กับมันไป ถ้าทาแบบนี้ใจก็จะไม่ทูกใจก็จะไม่ป่วยแต่ถ้าถ้าถ้าเป็นปั๊บอยากจหายหายเป็นปบั๊ะกลัวมันจะตายเงี้ยมันก็จะสร้างความทุกข์ขึ้นมาทันทีเห็นต้องใจงเย็นๆต้องอย่าไปกลัวอะไรจะเกิดก็ต้องเกิดถ้ามันจะไม่หายมันก็ไม่หายถ้ามันจะตายก็มันก็จะต้องตายแต่เราไม่ได้เป็นมันขอให้เรารู้ประเด็นนี้แล้วเราอย่าไปเกิดความอยากที่จะให้มันเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้เท่านั้นเอง เราก็ใหามันเป็นไปตามความเป็นจริงมันจะหายก็หายมันไม่หายก็ไม่หายมันจะตายก็มันก็ปล่ยมันตายไปใจก็จะไม่ป่วยด้วยใจก็จะไม่ทุกข์ด้วยคุณนัทวไลยพันครับขอเลียนถามดังนี้สัตว์ไม่ว่าเล็กหรือใหญ่เวียนว่ายตายเกิดเหมือนมนุษย์ไหมครับถ้าไม่ตายแล้วดับศูนย์เลยใช่ไหมครับเหมือนมนุษย์ทุกอย่างสัตว์ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นมดมแมลง เนือสัตว์ใหญ่ช้างมัวควายพวกนี้ร่างกายมันใหญ่เล็กแต่ใจมันเท่ากันะใจก็เป็นธานรุรู้ใจเป็นผู้รู้ผู้คิดเหมือนกันใจของมนุษย์กับใจของสัตว์เดือนฉานใจของยุงนี่มันก็เป็นใจเท่ามีขนาดมีความรู้ความสามารถเท่ากั น, นเหต่เใามาทําบาปทํากรรมมากน้อยต่างกันก็เลยต้ามารับผลของการที่จะมาเกิด เป็นมนุษย์บมากเป็นสัตว์ในราชายมากตายกันไปเท่านั้นเองนั่นก็เป็นเป็นการเป็นอู่ชั่วคราวเนี่ยมันก็ตายมาเกิดเป็นมารังเนื้อมาังก็ตายมาเกิดเป็นช้างเนืยวช้างก็ตายเกิดเป็นมนุษย์เนื้อมนุษย์ก็ตายตายดวงวิญญาณเนื้อจิตไม่ได้ตายไปกับมันดวงวิญญาณก็ไปเกิดใหม่ไปหาร่างกายใหม คุณพิสมัยถามว่าเวลาขับรถออกไปนอกบ้านสวดคาถาชินนบัญชรให้คุ้มครองดีไหมครับคุ้มครองไม่ได้หรอกสิ่งที่คุ้มครองเราก็คือสติขับรถต้องให้มีสติอย่าประมาทไม่ใย่างนัขับรถไปสวดชินบัญชรไม่สนใจว่ารถลาอยู่ข้างหน้าข้างหลังเขาวิ่งกันอย่างไรเดี๋ยวก็ชนกันขับรถต้องมีสติสตินี่แหละเป็นตัวที่จะคุ้มครองเรา ก็มีเรื่องมีคนเคยไปหาหลวงพ่อคูณนะอาจารย์ขอให้หลวงพ่อคูณที่บนนั่งขึ้นรถไปเพื่อเป็นสิริมงคลเพื่อความปลอดภัยหลวงพ่อคูณก็ถามว่ามึงขับขนาดไหนมึงขับเร็วขนาไหนผมก็ขับแค่ร้อยยี่สิบร้อยกูไม่ได้กูนั่งตั้งแต่แปดสิบแล้วไม่ได้ไป <laughs> ต้องใช้สตินะครับอาจารย์จำใจสติอย่ารีบร้อนใจยเยน็ยนๆครับให้มันพอเหมาะพอสมกับสภาพของถนนของการจราจรที่ปลอดภัยถ่าถึงตอนนี้รณรงเรื่องการไม่ขับใช่ไหมเมาแล้วไม่ให้ขับใช่ไหมเพราะเวลาเมาแล้วไม่มีสติอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากการคนขับที่มีไม่มีสติเกิดอาการมึนเมาจากการดื่มโซดาหรือการใช้ยาเสพติดบางชนิด ทำใหไม่สามารถควบกลุ่มการขับยานยนต์ได้เวลาเกิดเ <Yeah. S 1> หตุฉุกเฉินขึ้นมาก็ไม่สามารถที่จะยับยั้งและหยุดรถได้ mm. อย่างสิ่งนี้คุ้มครองผู้ขับรถที่ดีที่สุดก็คือสติ mm. ไม่ใช่ชินบังชนไม่ใช่เลยแต่ความจริงส่วนมันก็มีส่วนที่ทําให้มีสติอันนยอมรับอยู่ยแต่ว่าต้องมีสติอยู่กับการขับรถไม่ใช่อยู่สติมีสติอยู่กับการสวนอย่างเดียวโมดแต่สวนไม่นสนใจว่ามีไฟแดงข้างหน้าหรือไม่ ส่วนไปถึงมันก็วิ่งผ่าไปแดงไปแดงก็ชนกันต้องมีสติอยู่อาการขับเป็นเบื้องต้นแล้วมีสติอยู่อาการสวนเพื่อจะดึงใจไว้ไม่ให้ลอยไปกับความคิดต่างๆยงนี้ได้อยู่ถ้าเกิดเราขับแล้วไปแล้วใจเราฟุ้งซ่านห่วงเรื่องนั้นกังวลเรื่องนี้อย่างเนี้แล้วก็คนจะสวดดึงมันจะให้กลับมาให้มันมาอยู่กับการขับรถอย่าให้มันไปกังวลกับเรื่องราวต่างๆ คุชาลีครับถ้านั่งสมาธิแต่มีความคิดเข้ามามพร้อมๆกับดูลมหายใจไปด้วยแต่จะรู้สึกลมหายใจแบบเบาๆพร้อมไปด้วยแบบนี้ต้องแก้อย่างไรดีครับมันต้องฝึกสติให้มากขึ้นเพราะในสติเรามีกําลังน้อยไม่สามารถหยุดความคิดต่างๆได้ดันั้นท่านสอนให้เราฝึกสติก่อนมานั่งให้ผมตั้งแต่ลืมตาขึ้นมาเลยฝึกสติทั้งวันยกเว้นเวลาหลับ ให้มีสติคอยกําจัดคอยสกัดความคิดถ้าเรามีพุโทโธพุโทโธอยู่ในใจอยู่เรื่อยๆความคิดมันก็จะเกิดขึ้นได้ยากแต่ยังมันก็ยังคิดอยู่ว่าใหม่ๆพุโทโธเรายังอาจจะมีน้อยมีกําลังน้อยแต่เราฝึกสติไปเรื่อยๆถ้ามันเป็นสัมปชัญญะสติต่อเนื่องโอกาสช่องที่จะให้ความคิดมันผล่ขึ้นมานี่มันก็จะมีน้อยมากแล้วพอเวลามานั่งสมาธิความคิดก็จะมีบ้างอาจจะไม่มาก แต่จะไม่มารบกวนสมาธิไม่มารบกวนการดูลมหายใจของเราอยากทราบว่าคนเราเกิดมาทําไมครับคนเราไม่ได้เกิดมาทําไมเราเหตุของการ ม, มาเกิดก็คือตัณหาความอยากเหตุที่พ้คนเรามาเกิดกันก็ความอยากอยากหาความสุขจากรูปเสียงกลิ่นรสต่างๆในทางที่อยากมี มีความส่งจากรูปเสียงกลิ่นร้อได้ก็ต้องมีตาหูจมูกนิ้นกายจิตเองนี่ไม่มีตาหูจมูกนิ้นกายอะไรก็ต้องขึ่งละตาหูจมูกนิ้นกายของร่างกายก็เลยมาครอบครองร่างกายเวลามีการก่อสร้สางร่างกายขึ้นมาในทันของแม่แล้วก็คอยรอให้ออกคลอดออกมาพอจเจริญเติบโตก็ใช้ร่างกายนี้ไปหารูปเสียงกลิ่นร้มาเสกนี่แหละคือเหตุที่พายเรามาเกิดกันไม่ใช่ว่าไม่ใช่มาเกิดทําไม การมาเกิดนี้เกิดขึ้นได้อย่างไงอย่างนี้น่าจะเป็นคำถามที่ถูกที่ถูกต้องกว่าจนเมื่อเกิดมาแล้วนี่อยากจะถามว่าจะมาทํำไหมถ้าถ้าอย่างนี้ก็มีคําตอบว่าเกิดมาแล้วจะทำอะไรดีอย่างมีก็มาหยุดความมาหยุดการเกิดเนี่ยเพราะการเกิดมันไม่ดีเกิดแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตา ย, ยางันก็ลองมาหยุดการเกิดอย่างพระพุทธเจ้าเป็นบุคคลแรกที่ ตัดสินใจว่าเกิดมาแล้วต้องหยุดการเกิดให้ได้หยุดความทุกข์ที่เกิดจากความแก่ความเจ็บความตายให้ได้ดังนั้นก็เลยไปบวชนะบวชแล้วก็สามารถดับความทุกข์ที่เกิดจากการเกิดแก่เจ็บตายได้หยุดการเกิดแก่เจ็บตายได้ถ้าเกิดมาแล้วอยากจะรู้ว่าเกิดจะให้มาทําอะไรดีก็มาบวชกันนะมาปฏิบัติธรรม อยาไปหาความสุขจากราบยศสรรสารจากรูปเสียงกลิ่นรสเพราะมันเป็นทุกข์เพราะมันไม่แน่นอนมันเป็นของชั่วคราวเวลามันเจริญมันก็ให้ความสุขกับเราเวลามันเสื่อมไม่ว่าเราเรามันหมดไปมันก็จะให้ความทุกข์กับเราคุณสมคิดถามว่าจิตรวมเกิดขึ้นเองได้ไหมครับถ้าเคยมีถ้าเคยมีใครรวมมาแล้วในดีตชาติ ได้อยู่ในสภาวะที่มีที่เอื้อต่อความให้จิตรวมมันก็รวงได้คือจิตแต่ชาติก่ายเคยเข้าฌานได้เข้าสมาธิได้แล้วชาตินี้พอไปอยู่ที่ไหนที่เปลี่ยวๆที่ลำตามลำพังไม่มีอะไรห้อมล้อมที่จะมารบกวนใจไม่มีผู้คนไม่มีรูปเสียงกลิ่นรสใดต่างๆอย่างพที่พระพุทธเจ้าทรงเคยเล่าให้ฟังว่าตอนที่เป็นเด็กวันหนึ่งทรงประทับอยู่ใต้โคนไม้ ตามนำพานเพราะวันนั้นเป็นวันที่เขามีงานแล้วพวกค้าราชบนิพารที่คอยดูแลพระองค์ก็ต้องไปทํางานไปร่วม ง, งานกับเขาไปช่วยเหนือเขาก็เลยปล่อยให้พระองค์นัประทับอยู่ใต้โคนไม้ตามําพังคนเดียวพออยู่ตามําพังคนเดียวร่างกายวิเวกจิตก็เลยวิเวกใจจิตก็เลยรวมจิตก็เลยสงบตามเพราะชาติก่อนๆท่านเคยฝึกสมาธิมาแล้วจิตเคยรวมมาแล้ว ที่ไม่รวยพ็ต้องมีคนมาคอยม า, มาคอยหนึ่งเอาไว้มาคอยพูดมาคอยคุยมาคอยเอาขน ม, มนอะไรอะไรมาให้กินมาให้ดูอยู่เรื่อยๆจิตมันก็รวมไม่ได้พอไม่มีรูปเสียงกินรอดมาโยโยนโกวนใจอยู่กับสภาพที่สงบนิ่งของสี่งแวดล้อมมันก็ทําให้จิตสามารถเข้าสู่ความสมาธิได้โดยด้วยตนเองโดยที่ไม่ต้องนั่งสมาธิไม่ต้องตั้งสติไม่ต้องดูดู เวลาที่เราสวดมนต์นั่งสมาธิเกิดความกลัวความระแวงแวบๆขึ้นมาจะมีวิธีการแก้ไขอย่างไรครับอย่าไปสนใจกับความคิดนั้นพยายามหยุดความคิด้ในการบริกรรมพุทโทธธรรมโสมโกไปก็ไดนะ้อาศัยคำบริกรรมหรือจะสวดบนทอนทิปิโสไปก็นนะได้ไปเรื่อยๆเดี๋ยวพอใจสงบความคิดที่ท่ามความกลัวขึ้นมาก็จะหายไปคุณเพนครับ เกิดเป็นคนนี้ดีที่สุดแล้วใช่ไหมครับก็เป็นพบที่เราสามารถสร้างบุญสร้างบาปได้เพราะประการนี้เป็นพบที่เราไปรับผลบุญผลบาป ก, กันเช่นเป็เกิดเป็นสัตว์ในรายะชา้าเราก็มาทำมํำบุญไม่ได้มาปฏิบัติธรรมไม่ได้เราไปรับผลบาปที่เราทําเป็นดวงวิญญาณชนิดต่างๆก็เหมือนกันถ้าเป็นเป็นดวงวิญญาณของเทวดาของผมก็มารับผลของบุญที่เราได้ทําในขณะที่เราเป็นมนุษย์น าไปเกิดนนอาบายไปเป็นเปรดเป็นอสุรกายไปตกลรกก็ไปรับใช้ผลบาปที่เราทํากันในขณะที่เราเป็นมนุษย์พวพของมนุษย์นี่เป็นพภพที่เราสร้างเหตุเป็นก็สร้างเหตุคือบุญหรือบาปแล้วพอื่นก็เป็นที่ไปรับผลบุญผลบาปสอบถามว่าการนั่งสมาธิทําอย่างไรให้จิตสงบนิ่งไม่วอกแวกครับก็ต้องมีสติไง มืนกับล้นยนเนี่ยล้นยนจะหยุดล้นยนตได้ต้องมีเบรกถ้าไม่มีเบรกถึงเสียแย่ายแดงล้นมันก็ไม่หยุดมันก็ต้องไปชอนกับรถถัเองั้นเวลาเราขับรถเราต้องตรวจ ด, ดูกันว่ามีเบรกหรือเปล่าใช่ไหมถ้าเยียนเบรกแล้วให้มันไม่จอดเนี่ยแสดงว่าขับไม่ได้แล้วต้องเข้าอู่แล้วต้องเขาไปติดเบรกไปซ่อมเบรกก่อนงั้นในการนั่งสมาธิก็เป็นการหยุดความคิดการจะหยุดความคิดได้เราก็ต้องมี สั่งให้มันหยุดได้หรือเปล่าเราไม่นั่งเฉยๆไม่คิดได้ไหยถ้าสั่งแล้วมันไม่ยอมหยุดคิดก็แสดงว่าเราไม่มีพลังที่จะหยุดความคิดเราก็ต้องไปสร้างพลังขึ้นมาพลังที่จะหยุดความคิดก็คือสติเราก็ต้องไปไปสร้างสติด้วยการใช้อารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งที่เราเรียกว่าเป็นกรรมฐานเป็นอารมณ์ที่เราใช้ยึดเหนี่ยวกับจิตใจไม่ให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆ เป็นผู้ตานุสติก็ให้เราเลืถึงพระพุทธเจ้าให้เราเลืกอนถึงชื่อของพระพุทธเจ้าพุทโธพุทโธพุทโธไปถ้าเรานึกถึงแต่พุทโธพุทโธไปการที่เราจะไปคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้พอๆกันมันเป็นไปได้ยากเช่นถ้าเราตอนนี้จะคุยกันแล้วขอพุทโธด้วยพร้อมกันทาไม่ได้นะครับนนี้ก็เหมือนกันเราต้องมีอะไรผูกใจไว้ไม่ใจลอยไปกับความคิดต่างๆ พอเรามีกรรมาฐานไว้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจไม่ว่าจะเป็นพุทธานุสติก็ได้กายกะคาตาสติก็คือร่างกายก็ได้กายคากาย ก, ะกายกะกาคาตาสติก็คือการคอยเฝ้าดูการเคลื่อนไหวต่งางๆของร่างกายร่างกายทําอะไรก็รู้ อ, อยู่รู้อยู่ทุกขณะจิตเลยว่าตอนนี้ร่างกายกําลังยืนกําลังเดินกำลังนั่งกําลังรับประทานอาหารกําลังเคี่ยว่าหารกำลังตื่นอาหารเป็นต้นต้องรู้อยู่ทุกขณะพยายาบทของการเคลื่อนไหวของร่างกาย ถ้ารูอยู่อย่างนี้มันก็จะไปคิดเรื่องนี้เรื่องนี้ไม่ได้ถ้าเราเป็นสามารถมีสติบังคับให้มันอยู่กับเรื่องใดเรื่องหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นพุทโธก็ได้หรืออยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้อย่างนั้น่เวลามันนั่งสมาธิความคิดก็จะไม่ค่อยมีไม่ใช่ว่าเราไม่ยังไม่ยังมันไม่ยังไม่หมดเพราะมันจิตมันยังไม่รวมมันไม่หยุดเต็มที่แต่มราสามารถทําให้ความคิดนี้ลดน้อยถอยลงไปได้เป็น เป็นจำนวนมากทำให้เวลาที่เรามานั่งดูรวมแล้วนั่งบริกับมพุทธธนี้มันจะไม่มีความคิดมารบ ก, กวนใจเราคุณดีซีครับรอยพระบาทในประเทศไทยมีเยอะมากมีความหมายว่าอย่างไรและรอยพระบาทใหญ่กว่าของจริงด้วยครับมันก็เป็นความเชื่อเป็นการคิดขึ้นมาเลเห็นอะไรที่คล้ายๆรอยพระบาทก็ดูขึ้นมาว่าเป็นรอยพระบาทของพระพุทธเจ้าองนี้องค์นี้มาประทับอยู่ แต่ความจงมันไม่มีสาระประโยชน์อะไรน อ, นอกจากความหมายของเราเพราะบาทนี้ก็คือให้เราเรานึกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าการดําเนินชีวิตของพระพุทธเจ้าว่าท่านทรงดําเนินอย่างไรท่านเกิดเป็นกษัต ร, ริย์เป็นคนร่ำคนรวยแต่ในที่สุดก็เห็นเกิดแก่เจ็บตายเห็นความแก่ความเจ็บความตายก็เลยตัดสินใจไปบวชแทนไปบวชแล้วก็ไปปฏิบัติเพื่อให้หลุดพ้นจากการเกิดแก่เจ็บตาย นี่คือหน้าที่ของรอยพระบาทเพลงทั้นี้ให้เราเดินสติให้เราเราเกถึงวิถีชีวิตของพระพุทธเจ้าถ้าเราไม่เราเลิกถึงมันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรเห็นแล้วก็กราบเฉยๆแล้วก็จบแล้วก็ไปขอให้ขอให้ร่าให้รวยขอให้ได้ยศให้ได้ยศได้ตําแหน่งอย่างนี้มันก็ไม่ได้เป็นจุดประสงค์ของรอยพระพุทธบาททําไมคนเราพอมีความทุกข์ถึงอยากจะบวชครับ ก็เพราะว่าเหมือนกับคนที่เจ็บไข้ได้ป่วยก็อยากจะไปโรงพยาบาลนะการบวชนี่ก็เหมือนกับการไปรักษาใจเพราะเวลาบวชแล้วใจก็จะมียามาคอยรักษายาก็คือศีลสมาธิปัญญานี่คุณมาลีครับการที่พระบินฑบาต ท, ที่เราใส่บาตรพระด้วยกันมีปัญหากันแล้วมาแล้วมาเปล่าจริงหรือไม่จริงเราควรจะวางตัวอย่างไรครับ ก็เฉยๆไปไปล่อยให้ท่านพูดไปไม่ต้องไปเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเขาถือว่าไม่ใช่เรื่องของเราเรื่องของสงฆ์ก็ให้สงฆ์จัดการกันเองดิฉันไม่อยากเกิดอีกแล้วจะต้องทำยังไงครับกกต้อ ง, องไปบวชบวชแล้วก็ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญาเพื่อกำจัดความอยากต่างๆให้หมดสิ้นไปจัดใจ ขอวิธีทําใจให้วางเฉยจะต้องทําอย่างไรครับก็ต้องฝึกสติให้มีสติอยู่เรื่อยๆฝึกพุโทโธอยู่เรื่อยๆเวลาใจเราเครียดใจเราทุกข์ขึ้นมาหรือใจเราโกรธขึ้นมาก็ใช้คําบริกรรมพุทโธพุทโธไปสักพักหนึ่งถ้าเราไม่หยุดบริกรรมเดี๋ยวความทุกข์ความเครียดก็จะหายไปความโกรธก็จะหายไปช่วงเข้าพรรษา สิ่งที่พระสงฆ์ไม่ควรปฏิบัติคืออะไรบ้างครับพอเข้าพรรษารก็ไม่ให้เดินทางไปไหนมาไหนให้อยู่กับวัดที่วัดที่เราจำพรรษารอยู่นี้ตลอดสามเดือนด้วยกันจะไปได้ก็มีภารกิจสำคัญฉุกเฉินเช่นเป็นดูแลพ่อแม่ที่เจ็บคไายได้ป่วยหรือครูบาอาจารย์นี้ไปได้แต่ไม่ไปไม่ให้เกินเจ็วันเป็นไปแล้วต้องกลับมาภายในเจ็ดวันหรือถ้ามี เพื่อนพิกษุด้วยกันอยู่อีกวันหนึ่งมีความอยากจะสึกถ้าเราไปพูดไปคุยแล้วไปน้อมนาวให้ท่านไม่ศึกได้ก็ถ้านการอนุญาตให้ไปได้หรือว่าถ้าที่อยู่อาศัยที่วัดที่กุฏิหรือสารโบสถ์หรือสารามี ม, มีมีความชมันลึอาจจะเกิดจากต้นไม้หล่นมาทับทําให้ร่างกายก็บเบื้องแตกต้องไปหาอุปกรณ์มาเพื่อมาซ่อมอย่างนี้ก็ไปได้ แลประการสุดท้ายก็คือถ้ามีใครนิมนต์ถ้าญาติโยทมทําบุญมีทมําบุญขึ้นบ้านใหม่ทมําบุญแต่งงานเนี่ยทำบุญแล้ ว, ลวนิมนต์ไปเข้าไปได้อยู่ต่างในหวัดที่ต้องไปค้างแรงก็ไปได้ไม่เกินเจ็ดวันเป็นอย่างมากนี่คือกรณียกเว้นถ้าไม่มีเหตุการณ์เนี้ก็ต้องอยู่ที่วัดต้องอยู่จำต้องนอนที่วัดทุกคืนไม่ให้ไปค้งางแรงที่อื่น อาจารย์ครับทุกคืนนี่หมายเขาว่าตอนดูตอนพระที่ขึ้นตอนเช้าใช่ไหมครับคือเออมันคือมันต้องอยู่ในในวันในช่วงที่เ อ, อะอาทิตย์ยังไม่ขึ้นเอ oh. แต่ว่าถ้าพระาที่ขึ้นมีแล้วค่อยสมมุติเราออกไปธุระข้างนอกไ ม, ไม่เหตุฉุกเฉินออกไปธุระข้างนอกแล้วก็กลับมาไม่ทันสว่างเนี่ยแสดงว่าเราไม่ได้ขั้นงคืนที่วัด hmm. แต่ถ้าเรากลับมา ถนาทีก่อนสว่างนี่ก็ยังถือว่าเราค้างคืนอยู่ที่วัดอยู่ครับยังเปลี่ยนวันที่วัดอหรือว่าเวลาออกบินธบาตเนี่ยออกไปตอนที่ยังไม่สว่างเนี่ยแล้วก็กับจากบินธบาตมันสว่างแล้วนี่ก็ถ้าของเราไม่ได้นอนที่วัดเหมือนกันเราต้องพาพาตุเวลาออกจากบินธบาตถึงต้องรอให้สว่างก่อนถึงจะออกบินธบาตได้เพราะยังถือว่ายังถ้ายังมืดอยู่ถือว่ายังเป็นวันเก่าอยู่ยังค้างแรงอยู่ แต่ถ้าเราออกไปก่อนที่จะสว่างก็แสงดงว่าเราไม่ได้ค้างแรมอยู่ที่วันพอเรากลับมามันเป็นวันใหม่แล้วอาจารตอนอยู่บ้านตาบนี้ช่วงเข้าพรรษาหลวงตาจะไม่รับบินทบาทในวัดด้วยใช่ไหมครับอันนี้เป็นข้อทุูดงหนึ่งในสิบในหนึ่งในทูดงคือท่านไม่ต้องการที่จะอรับประหารมากเกินไปบางน้อยสันโดษให้ยินดีกับอาหารที่ได้จากการบินทบาท ไม่ต้องการที่จะให้รับอาหารที่ญาติโยมนํเอามาถวายที่สาลาในวัด ต, ต่อเพราะมันก็จะมันถ้ามันก็จะไปทําให้จิตกัดกิเลสขึ้นมาได้ว่าอาหารที่ญาติโยมเตรียมมาถวายกับอาหารสายมินทบาตน่าอาจจะมีต่างกันความบาลีต่างกันอาจจะต่างกันก็เลยสำหรับผู้ที่ต้องการความมักน้อยสั่งเดินเรียบ ง, งา่ายก็เอาอาหารที่ได้จากมินทบาทก็พอ เวลาญาติโยมตามมาที่หลังมาที่สาราจะมาถวายต่อก็ไม่รับนะอันนี้ทาเฉพาะช่วงเข้าพรรษาดังนั้นเวลาที่ญาติโยมอยากจะทําบุญกับพระที่วัดป่ามาตตาก็ต้องมารอดักที่หน้าประตูวัดถ้าถ้ามาไม่ดัดบิณฑบาตถ้าท่านเป็นบิณฑบาตที่หมู่บ้านแล้วมาใส่ไม่ทันก็มาดักรอที่หน้าประตูวัดเพราะถ้าเพราะพอท่านเข้าเขาวัดไปแล้วท่านก็จะไม่รัาหาที่เราตามเข้ามาถวาย งั้นก็เลยกลายเป็นมีแถวยา ว, าวหเหยียดเป็นกิโลอยู่ที่หน้าวัดคนมาจากต่างจังหวัดมาจากที่ไกลๆมาคอยใส่บาตรที่หน้าวัดครับคุณเอกราบครับการที่ร่างกายเราเจ็บป่วยหรือมีอาการเจ็บปวดและเราได้รับความทุกข์จากสิ่งนั้นพยายามรักษาร่างกายให้หายจากอาการดังกล่าว หมายความว่าเรายังไม่สามารถละร่างกายตามสัง่งยศข้อที่หนึ่งได้ใช่ไหมครับไม่จําเป็นหรอกแม้แต่พระพุทธเจ้าผ้าลายก็ยังต้องรักษาร่างกายขอยางา น, นถ้าท่านรักษาได้ก็รักษาแต่ท่านไม่มีความอยากให้มันห า, หายหรือไม่หายท่านก็เพียงแต่ทำหน้าที่ของการดูแลร่างกายไปเมื่อไม่สบายมียา ก, กินให้มันหายได้ก็กินไปถ้ามียา ก, กินแล้วไม่หายก็ไม่ต้องกินมันก็ได้ก็ปล่อยให้มันเป็นไป นี่ท่านแสดงวทันละได้แต่ถ้าหลับคนที่ยังละไม่ได้ต้องพยายามนิ่งนอนหาวิธีสุดทุกวิธีทางที่จะต้องรักษาให้มันหายให้ได้อันนี้มันต่างกันคือความอยากให้มันหายไม่มีในใจของผู้ที่ละสังโยช น, นี้ได้นะ้วแต่ก็ยังมียังทำหน้าที่ในการรักษาพยาบาลร่างกายนี้อยู่แต่ไม่มีความอยากจะให้มันหายหรือไม่หายมันหายก็หายไม่หายก็ไม่เดือดร้อน จะทําสมาธิสวดมนต์ในใจได้ไหมครับได้ดีเสีจะได้ไม่รบกวนคนอื่นถ้าเราทําได้เราสามารถนั่งหลับตาในทา่าขัดสมาธิไดแล้วก็สวดมนต์ใบภายในใจเลยเท่ากับเราได้นั่งสมาธิควบคู่ไปพร้อมๆกันเลยคุณหนุ่มน้อยครับผมชื่นชอบผู้หญิงคนนี้ออกจากวงของน้องสาวแล้วผมจะเลิกแล้วผมจะเลือก เชื่นชอบหน้าตาสวยคนต่อไปบาปไหมครับคือถ้าคุณยังมีภรรยาอยู่นี่ก็เราไปยุ่งกับคนอื่นก็บาปถ้าคุณอยากจะไปยุ่กับคนอื่นคนใหม่คุณก็ต้องเลิกกับคนเก่าก่อนคิดดีทดําดีสักวันคงได้ดีจริงไหมครับอยากได้พลังบวกบางครั้งออกมาค้าขายทอ ม, มากครับคนพิการเมือกตากครับ คิดดีทํำดีได้ผล ท, ทันทีผลนี่ก็คือความสุขใจเราเราเข้าใจผิดกันที่ว่าเราคิดดีพูดดีทดําดีแล้วเราจะร่ํำรวยนี่ไม่ใช่คนทำเรื่องกันจะรวยไม่รวยไม่ได้อยู่ที่คิดดีพูดดีทดําดีคิดชั่วทําชั่วรวยไปก็มีเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจว่าการคิดดีทดําดีนี่มันเกี่ยวกับเรื่องจิตใจเกี่ยวกับความสุขความเจริญของจิตใจไม่ใช่เกี่ยวกับความเจริญทางราบยศสรเสริ สุขแต่อย่างใดส่วนความจเจริญทางรางยศสารสันสุขมันอาจจะเป็นผลคอยได้ก็อาจจะเป็นได้แต่มันอาจจะไม่เกิดก็ได้เราอย่าไปดูที่ผลอย่อยาไปดูที่โลกกระทำว่าเป็นผลที่เกิดจากการพูดดีทดําดีพูดดีทำดีทดี่ทำให้จิตใจเราเป็ความสุขแล้วจิตใจเราสูงขึ้นจากมนุษย์เราก็จะไปเป็นเทพจากเทพเราก็จะไปเป็นพรหมจากพรหมเราก็จะไปเป็นพระอ น, นิจจมรคค อันนี้ต่างหเป็นผู้ที่รับผลของการคิดดีพูดดีทาดีความรู้สึกความคิดกับกายเปลี่ยนได้ไหมครับไม่ทราบเปลี่ยนยังไงน่งกายมันก็เป็นร่างกายความคิดมันก็เป็นมันอยู่ที่จิตมันคนละคนกันความรู้สึกก็อยู่ที่จิตคุณมาริษาครับ คนต่างชาติหรือคนไทยที่ศรัทธาต่อพระรุรมศาสดาและพุทธศาสนาที่ต้องการเป็นอุบาสกอุบาสิกาจําเป็นต้องเอ่ยคําขอเป็นพุทธมามะกะไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะมี ม, ม, มีพิธีทํากันเพราะส่วนใหญ่เขาต้องมามามารับจากพระตามวัดต่างๆพระก็จะมีการให้เขาธรรมาธารหรือวอะไรไปตามพิธีกรรมแต่ถ้าพูดตามหลักของการปฏิบัตินี่ถ้าไม่มีพระไม่มีใครมา ถ้ามีหนังสืออ่านอ่านก็ทำํำธรรมาทานขึ้นมาเองก็ได้ว่าการเป็นพุทธมามา ก, กาตต้องทำยังไงก็ต้องมีศรัทธานในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็รักษาศีลห้าอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นพุทธมามา ก, กาตขึ้นมาได้นะคําว่าหลงกับศรัทธามีความหมายแตกต่างกันอย่างไรครับความหลงก็คือเห็นเพิดเป็นชอบเห็นว่าเป็นเป็นวัวเนี้ยเห็นควายเป็น เหควายเป็นช้างนี่ก็คือความหลงเห็นผิดเป็นเห็นไม่ตรงกับความเป็นจริงก็คือความหล ง, หล ง, หลงส่วนศรัทธาก็คือความเชื่อเชื่อในคําสอนของพระพุธธทธเจ้านี่ก็เรียกว่าศรัทธาคอนาเรื่องกันคอความหมายกันคุณทวีชัยครับทําข้อสอบดูเฉลยทําสมาธิและวิปัสสนาดูเฉลยตรงไหนว่าทําถูกทางแล้วไม่ผิดทําถูกแล้วครับ อ๋อถ้าถ้าไม่ผิดก็จะได้ผลคือจิตจะสงบจิก็จะสงบดูเป็นสมาธิขึ้นมาเกิดความสนใจที่มาจะจันใจขึ้นมาเหนื่อยจากงานแล้วตอนกลางคืนไม่มีแรงสวดมนต์ทำอย่างไรดีครับก็นอนสวดตอนตื่นขึ้นมาก็ได้รอให้ตอนเช้าตื่นขึ้นมาแล้วค่อยสวดแทนก็ได้ คุณมาริสาครับรู้ตัวว่าเวลาเหลือน้อยลงทุกวินาทีและกลัวกรรมชั่วเพราะต้องรับผลกรรมยาวนานอยากให้พระอาจารย์แนะวิธีการงดเว้นทําชั่วและการทําจิตให้บริสุทธิ์และกระทําความดีนอกจากถือศีลห้าครับก็ศีลห้านี่แหละเป็นวิธีที่จะป้องกันการกระทำำํากรรมชั่วและ้าเราไม่ฆ่าสัตว์ไม่รักทรัพย์ไม่เอาพื่อผิดประเพณินในไม่พูดปด ไม่ดืมสลายาเมา น, นี้เราก็จะไม่มีวันที่จะไปตกนรกได้นะไม่ไปเกิดในอบายได้นะส่วนรมรถ้าเราอยากจะยกระดับจิตของเราจากมนุษย์ให้ไปเป็นเทพเราก็ทำํำบุญทำทานถ้าอยากจะให้เป็นพรหมเราก็ไปฝึกสมาธิถ้าอยากจะเป็นพระเรียบบุคคลเราก็ไปฝึกปัญญาตามลาดับไม่กลัวตายแต่กลัวเจ็บภาวนาจะช่วยได้ไหมครับ ได้เวลาภาวนาจิตสงบแล้วความทุกข์ท so ี oui, ่เกิดจากความเจ็บก็จะไม่เก <mus> ิดถึงแม้ว่าความเจ็บจะไม่หายไปแล้วความเจ็บก็จะไม่มาทําให้เกิดความทุกข์ใจได้เพราะเหตุที่ทําให้เกิดความทุกข์ใจไม่ใช่อยู่ที่ความเจ็บแต่อยู่ที่ความอยากให้ความเจ็บหายไปพอเรานั่งสมาธิทำใจให้สงบหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ความทุกข์ใจก็จะหายไป เนื่องจาความเจ็บที่ไม่เป็นสิ่งที่ทร ม, มานเป็นสิ่งที่จิตสามารถรับได้จิตที่สงบสามารถรับได้อย่างสบายคุณชยดาครับการใส่บาตรด้วยตนเองกับพระสงฆ์กับการร่วมทำบุญเพื่อถวายเป็นค่าพัตาหารค่าน้ําค่าไฟซึ่งเป็นอุทิศให้แก่บรรพบุรุษทั้งสองแบบไม่ทราบว่ากุศลต่างกันไหมครับไม่ต่างกันเหมือนกันทาบุญ กราบขอคําแนะนําบทสวดมนต์สำหรับผู้เริ่มสวดใหม่ว่าควรสวดบทไหนกี่บทจึงจะพอดีพอควรครับก็เขามีบทสวดมนต์ที่เรียกว่าทำวัดชาวันเย็นเนี่ยเราก็ไปสวดตามที่เขากาหนดไว้คุณพัชรวัตรคอมเมนต์ว่าได้ฟังธรรมที่องค์หลวงพ่อเมตตาแสดงลูกเกิดความยินดีในธรรมที่ทําให้เกิดน้ําตาซึมครับทําให้เข้าใจ ในเรื่องของอนัตตานะครับคุณเดสตินีครับทำไมความโกรธกับการถึงใช้เวลานานกว่าจะดับลงได้ครับมันอยู่ที่กำลังของเร า, าเรามีมากมีน้อยบางคนก็ดับได้เร็วบางคนก็ดับได้ช้าอยู่ที่กำลังทำที่เราสร้างขึ้นมาถ้าเรามีทำมากเราก็จะดับความโกรธกบพว ก, กิเลสได้ง่ายได้เร็ว ถ้ามีทำน้อยกำลังมีกําลังน้อยทํามีกําลังน้อยก็จะดับได้ยากจะสร้างบ้านใหม่จําเป็นต้องไหว้เจ้าที่ไหมครับก็ไปดูพอดศา ส, ะสะนาเห็นเขาไหว้หรืะะอเปล่าเพราะหลังเม่เห็นมันไหว้กันเลยประเทศมันจะเจริญมาเราสร้างตึกเป็นร้อยชั้นพันชั้นนี่เขาไม่ต้องไหว้ใครเลยมันเป็นเรื่องของความเชื่อ เ, นะเรื่องเรื่องเจ้าที่ ไม่ใช่เป็นความจริงแต่อย่างใดมันจะไหว้ก็ได้ไม่ไหว้ก็ได้เพื่อความสบายใจของผู้ผู้อยู่ก็แล้วผู้เจ้าผู้เป็นเจ้าของบ้านก็แล้วกันถ้าไม่ไหว้แล้วเดี๋ยวเกิดสร้างไปแล้วเกิดไฟไหม้ขึ้นมาก็จะได้โทษว่าเนี่ยเพราะว่าไม่ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางก่อนแต่ถ้าไหว้ถ้าไหว้แล้วถ้าเกิดไฟไหม้ก็ก็ไม่ก็รู้ว่ามันเป็นสาเหตุอื่นไม่ใช่เรื่องของเจ้าเจ้าทางคุณวิทย์ ครับจะรักษาแผลในใจได้อย่างไรครับแผลจากความผิดหวังครับมันทาใจให้สงบถ้าฝึกสมาธิได้นั่งสมาธิปั๊บเดียวความเศร้าใจทุกใจก็จะหายไปแต่ถ้านั่งไม่ได้ก็ต้องปล่อยให้เป็นมันหายไปตามเวลาชาเนี่ยก็อยู่ที่ว่าแผลมันมันนึกว่าอไม่นึน ก, ลกแล้วก็เวลาที่เราปล่อยให้มันหายนี่มันเราไป ไปยุ่งกับมันมากน้อยทาไมถ้าเราเลิกคิดถึงมันมันก็ไม่นานเดี๋ยวก็หายแต่ถ้ายังคิดถึงเรื่องมันเรื่องนั้นอยู่คิดอยู่เรื่อยๆมันก็จะไม่หายไปเหมือนแผนที่เราชอบไปเกาอยู่เรื่อยๆเราเป็นแผลเราไปเกามันก็ไม่ยอมหายนันทีถ้าเราไม่ไปเกามันปล่อยให้มันอยู่ตามสภาพของมันเดี๋ยวมันก็หายแผลใจก็แบบเดียวกันที่มันไม่หายเพราะเราไปคิดถึงมันอยู่เรื่อยๆคิดถึงคนที่เราสูญเสียคิดถึงคนที่เรารักคนที่เราผิดหวังอะไร คิดอยูเนี่ยมันก็ยิ่งจะทำให้มันเศร้าไปอยู่นี่เยี่ยนต้องพยายามลืมมันเสียอย่าไปคิดถึงมันถ้าเราจิตมันคิดก็เราก็ใช้ความคิดอื่นมาลบมันใช้คําบริการพูดโทใช้การสวนมันมาลบมันไปเดี๋ยวต่อไปไม่นานมันก็จะหายไปจากใจออกมาใจจะเปลี่ยนภพในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่ได้ไหมครับคือใจมันเปลี่ยนของมันละ ตอนนีใจบางคนอาจจะเป็นเทพแล้วก็ได้อาจจะเป็นพรหมแล้วก็ได้เป็นพระอรนนี้อคลแล้วก็ได้เปลี่ยนได้เกิดจากการปฏิบัติของเราด้วการทําบุญหรือทำบาปอย่างที่ท่านบอกว่าบางคนร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเดรัจฉานเนี่ร่างกายเป็นมนุษย์แต่ใจเป็นเทพเนี่ยเพราะมันเป็นเทพหรือเป็นเดรัจฉานด้วยการทําบุญหรือทําบาปนี่เปลี่ยนได้ตั้งแต่ตอนนี้ยังมีร่างกายอยู่ คุณมาลีรัตครับบอกว่าอยากจะมีดวงตาเห็นธรรมจะโลภไหมครับไม่โลภแล้วมันเป็นารความความอยากจะรู้อยากเห็นมันก็เป็นเรื่องของการ ท, ที่จะทราทำให้เราได้ไปศึกษาเพื่อให้เกิดสติปัญญาขึ้นมาทำสมาธิดูลมหายใจจนจิตเริ่มนิ่งแล้วจะต้องทำอย่างไรต่อครับ เมื่อตอนก็พยายามฝึกให้มันนิ่งเป็นนานๆให้มันนิ่งไปทั้งวันทั้งคืนให้ได้ก่อนให้มันชานาญทางสมาธิก่อนพอเราสามารถสั่งให้ใจสงบได้ทุกเวลานาทีที่เราต้องการแล้วต่อไปเวลาเราออกจากสมาธิมาแล้วก็เริ่มศึกษาความเป็นจริงของร่างกายของเราว่าเที่ยงหรือไม่เที่ยงเป็นตัวเราหรือไม่ใช่เป็นตัวเราหรือเป็นเพียงแต่ธาตุดิน้ำลมไฟสวยงามหรือไม่สวยงามอันนี้เราก็ขั้นปัญญาต่อไป ก่อนที่เราจะไปขั้นปัญญาได้ล้วคนจะฝึกสติฝึกสมาธิให้ชำนาญก่อนคุณทวีชัยครับบอกว่าใครบาปกว่ากันระหว่างแม่สั่งให้ซื้อปลาสดหรือแม่ค้าเพราะไม่ได้แต่ถ้าไม่ซื้อให้กลัวอกตันอยู่ครับคือคนสั่งก็ดีคนคนฆ้าก็ดีก็บาปเท่ากัน ถ้ามีอาชีพที่จําเป็นต้องฆ่าสัตว์แต่ฝึกสติปฐานสี่จะมีโอกาสจะบรรลุธรรมได้ไหมครับคงจะยากอะ่ะเพราะว่ามันสวนทางกันถ้ายังมีความหลองอยู่มันจะไปบรรลุธรรมไม่ได้มันต้องเห็นว่าการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตนี้เป็นการกระทำบาป ท, ที่ต้องเลิกแล้วก็ไปบวชเชีอย่างเงี้ยแล้วไปปฏิบัติสติปัฏฐานอย่างนี้บรรลุได้ แต่ถ้าชาวทั้งสองอย่างยจะฆ่าสัตว์ด้วยจะบรรลุปเป็นพระอาริยบุคคลวันนี้เป็นไปไม่ได้คุณมาริษาครับถ้าในอดีตเคยทําผิดศีลเพราะกิเลสนําพาแต่วันนี้กลับตัวกลับใจได้ความกลัวการทํากรรมชั่วและการไปตกอยู่ในอบายภูมิและเร่งทําความดีอันนี้พอจะช่วยได้ไหมครับช่วยอย่างไรนะช่วยช่วยให้พน้นจากกรรมบายเลย มันก็อยู่ที่ว่าบาปที่เราทํานี่มันมีความน้าหนักมากน้อยเพียงไรกับบุญที่เรากําลังทําอยู่ถ้าบาปจะมีกําลังมากกว่าบุญเราก็ยังต้องไปรับผลบาปไปเกิดในอาบายอยู่แตถ้าบาปถ้าบุญของเรามากกว่าบาปนี่เราก็ไม่ต้องไปเป็นไม่ทํางไปเกิดในอาบายชนมคุณนี้มาเนี่ยฆ่าคนมาต้นเก้าร้อยเก้าสิบเก้าคนพอมาพบพระพุท ธ, ทธเจ้าพระเจ้าก็สอนให้มาฆ่าดีเมทแทน การฆ่ากิเนนี้เป็นมูลมากพอข้ากิเลนมูก็ทําให้เป็นพระอาหารหันต์ไม่ต้องไปเกิดอีกต่อไปบาป ท, ที่มาทําไม่มากมายเพียงไรก็ไม่สามารถส่งจินให้ไปเกิดในอบายได้ช่วงเข้าปรรษานี่พระศึกได้ไหมครับได้เวลาศึกนีไม่มีข้อห้ามจะศึกเวลาไหนก็ได้ถ้าอยู่ไม่ได้ก็ศึกไปแล้วถ้าทําผิดก็ต้องจับศึกเขาก็จับศึกไปได้ ไม่เกี่ยวกับการจำภาษาแต่อย่างไดคุณนชลครับเคยนั่งสมาธิใช้วิธีตามดูแสงสีต่างๆที่แสดงขึ้นให้ปรากฏตามดูเฉยๆสักพักเหมือนตกเหวลึกแล้วไปนิ่งอยู่เฉยๆไม่ได้ยินเสียงจากสิ่งรอบตัวนิ่งๆอยู่เฉยๆสักพักก็หลุดออกมารู้สึกเย็นจิตอยู่หลายวันครับก็าทาบ่อยๆแต่ทาทุกวันเ่ยถ้ามันถ้ามันเป็นอย่างนี้ก็ถือว่าจิตสงบบางคนจะฝึก ทำอยู่บ่อยๆทำอยู่เรื่อยๆ เ, เป็นวิธีหาความสุขจากการไปเที่ยวไปกินไปดื่มก็มาเอาวิธีนั่งสมาธิแทนนมัสการพระอาจารย์ตอนนี้คิดถึงลูกสาวที่จากไปมากเลยครับเป็นทุกข์มากครับก็อย่าไปคิดเสียเพราะว่าคิดแล้วมันทุกข์คิดไปทําไมเหมือนกับเอาคอ้อมาทุบศีรษะเราทุบไปทําไมไม่เกิดปะระโยชน์เลยการคิดก็เหมือนกับการเอาเอข้อนมาทุบใจเรา คิดถึงเรื่องที่ทําให้เราเศร้าโศกเสียใจก็อยุดก็หยุดคิดอันนั้นเองมันหยุดเอาเอาคอ้อนมาทุบศีรษะเราหยุดไม่ได้ก็ใช้การสวดมนต์มาหยุดมันหรือใช้การบริกรรมพุโทโธพุโทโธมาหยุดมันพราะทุกครั้งที่จะคิดถึงสิ่งที่ทําให้เราทุกข์เราก็พุโทโธพุโทโธพุโทโธไปแต่เดี๋ยวสักพักนึงความคิดถึงเรื่องนั้นก็จะหายไปเราก็หยุดพุดโทโธได้ แต่พอเขจะกลับมาคิดอี ก, กแล้วก็ทําอีกทำอย่างนีไ้ไปเรื่อยๆต่อไปมันก็จะหยุดคิดเองมันก็จะไม่คิดถึงเรื่องนั้นอีกต่อไปคุณสลาวุธครับมีครอบครัวอยู่แล้วแต่ใจยังหลงยังชอบคนอื่นเวลาที่เห็นรูปสวยรูปงามและจะทําอย่างไรให้ราคะละปัญหาได้ครับก็ดูรูปที่ไม่สวยไม่งามแทนสิเช่นเวลาที่เราดูเขาประกวดนางงามจักรวาลนี่เราก็ไปดูหนังสือด้าอะนาทอ ม, มี่พร้อมๆกันก็ได้สลับกัน ด้านซ้ายเป็นรูปนางงามด้านขวาก็เป็นรูปวันยาทอมมี่เห็นโครงกันดูกเห็นตับไตไส้พุงนี้นอนสมาธิได้ไหมครับได้แต่มันจะหลับมันจะไม่ได้สมาธิเพราะถ้านอนมันท่าสบายคุณเดสตินีครับต้องวางใจอย่างไรเมื่อต้องทำงานกับคนที่เห็นแก่ตัวครับ ว่าดำใจเฉยๆไมเป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราเขาจะดีจะช่วยก็เรื่องของเขาไปคนที่จะไปรับผลเป็นผลบากก็คือตัวเขาไม่ใช่ตัวเราถ้าเปิดบทสวดมนต์แล้วสวดมนต์ในใจไม่เปล่งเสียงแต่ทําอย่างอื่นไปด้วยแต่จิตจะสวดมนต์ตลอดได้ไหมครับมั น, ปนไปไม่ได้หรอถ้าเราไปทําอย่างอื่นแล้วมันก็ยังต้องจิตมันก็ต้องเกี่ยวข้องงานงานที่เราทําด้วย มันก็จะวิ่งไปวิ่งมาระหว่างการสวดมนต์ต่อการทํางานคิดเรื่องนั้นเรื่องนี้อยู่งั้นทำที่ดีถ้าอยากจะสวดมนต์หรือทำจิตให้สงบก็อย่าไปทําอะไรเลยหนั่งเฉยๆจะดีกว่าไม่งั้นจิตกนจะไม่สงบคุณมารีรัตครับดวงตาเห็นธรรมหมายความว่าอย่างไรครับก็ เ, เห็นอริยสัจสี่เห็นใจรักเนี่ย เห็ทุกอย่างไม่เที่ยงเช่นเห็นนั่งกายของเราไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายเห็นแบบเห็นแบบยอมรับไม่ใช่เห็นแบบไม่ยอมรับที่เห็นแบบไม่ยอมรับนี่แสดงว่ายังยังไม่เห็นยังไม่เห็นจริงรู้ว่าเราต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายแต่ก็ยังไปทําธัญญกรรมอยู่เรื่อยๆอย่างเงี้ยแสดงว่าไม่ยอมรับความจริงอย่างเงี้ยเรียกว่าไม่ไม่เห็นยังไม่เห็นธรรมยังไม่เห็นความจริงว่านั่งกายมันต้องแก่มันจะต้องไม่สวยไม่งาม แต่แเราพยายามที่จะฝืนความจริงกันนี้ด้วยการไปทําสัญญกรรมหน้าตาของเราอันนี้แสดงว่ายังไม่เห็นธรรมถ้าเห็นธรรมแล้วก็ต้องรู้ว่าต่อไปร่างกายมันก็น่อมแก่ไม่คนแก่อันนี้มันจะเป็นยังไงก็ปล่อยมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันเพราะเราห้ามมันไม่ได้มันจะค่อยๆแก่ลงไปทีละเล็กทีลน้อยต้องเสริมไปทีละเล็กทีลน้อยถ้าเห็นธรรมก็คือปล่อยปล่อยให้มันแก่ปล่อยให้มันเจ็บปล่อยให้มันตาย จะมีวิธีไหนบําบัดจิตไม่ให้ฟุ้งซ่านได้บ้างครับตอนนี้ฟุ้งซ่านเรื่องการเงินครับก็ฝึกสติฮะเมือ่อตอนก็ใช้พุโทโธพุโทโธไปทั้งวันเลยน้องอย่าไปคิดถึงเรื่องการเงินพอคิดถึงเรื่องเงินก็พุโทโธพุโทโธไปแล้วพอเราพุโทโธไปสักพักเราก็จะลืมเรื่องเงินเรื่องทองความฟุ้งซ่านความคิดมันก็จะหายไปขั้นที่สองเราก็ถ้าอยากจะแก้ปัญหาให้มันหมดรากครับก็มาใช้ปัญญาวิเคราะห์ดดูว่า ปัญหาเรื่องการเงินนี้มันอยู่ที่ตรงไหนเราเป็นหนี้สินหรือเปล่าเราต้องใช้เขาหรือเปล่าแล้วเรามีปัญญาจะใช้เขาหรือเปล่าถ้าไม่ใช้น่าจะเกิดขึ้นเขาจะฟอ้ละละะฟองล้มละลายถ้าเขาจะฟ้องล้มละลายเราห้ามเขาไม่ได้แล้วก็ยอมให้เขาฟ้องไปแล้วก็จบแล้วก็ยอมล้มละลายใจก็ะจะสงบใจก็ะจะไม่เครียดอีกต่อไปแต่ถ้าไม่ยอมไม่ยอมให้เขาฟ้องไม่ยอมให้ล้มละลา ย, เ, ยารเราจะทํำยังไงมันก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดี ไป้ามเขาได้ไม่ไม่สั่งเขาได้ไม่ก็สั่งเขาไม่ได้เห็นเราต้องพิจารณายอมรับความเป็นจริงที่จะเกิดขึ้นกับเราถาเรายอมเรายอมรับได้เราก็จะไม่เครียดไม่ทุกข์ไม่ฟุ้งซ่ า, ากนกับเรืองต่อไปใจเราก็จะสงบพร้อมที่จะรับผลที่เกิดจากการกระทําของเราคุณวิไลครับเพื่อนนะครับพระเจ้ากําลังถือศีลแปด สี่ถึงสิบามทักแปดนี้แต่เพื่อนฝากมาถามว่าทานน้ำโปรตีนเชคเป็นน้ำปานะตอนเย็นได้ไหมครับไม่ททานนะ้ำโปรตีนเชคเป็นยังไงปกะติน้ำปานะก็หมายถึงน้ำผลไม้น้ำที่คั้นจากผลไม้ที่ไม่ขนาดไ ม, ไม่ไม่ใหญ่กว่ากำปัน้นเช่นส้มโอนี้เอามาคั้นไม่ได้ น้ำมะพร้าวนี่มันเดือดไม่ได้เพราะมั น, นผลมันผลไม้ที่ใหญ่กว่ากลับปัน้นก็เมื่ อ, อให้ผลไม้ขนาดเล็กเช่เอนองุ่นลูกส้มอย่างนี้เอามาคั้นได้แล้วก็มาต้องกรองด้วยนะอย่าให้มีกากมีเนื้อติ่อยู่ในน้ําให้เดือดนี้เรียกว่าน้ำปานะน้ำผลไม้เวลาเข้าห้องน้ํา นึกภาวนาสวดมนต์ขอพรบาปไหมครับไม่บาปครับมันการจเจริญสติการจเจริญสติที่เราสามารถจเจริญได้ทุกทกแห่งทุกคนทุกเวลานุกทีคุณอนิจจังครับหากนั่งสมาธิไปจนเกิดเห็นร่างกายเป็นเพียงธาตุเห็นเข้าไปในร่างมีลำไส้มีเลือดอวัยวะภายในต่างๆถือเป็นสมถะหรือวิปัสนาครับและจะสามารถนําไปเพีรณาธาตุในขณะไม่ได้เข้าสมาธิได้อย่างไรครับ ก็ไม่ใช่เป็นสมถะหรอกถ้าสมถะจิตต้องว่างสงบนิ่งถ้าเห็นสิ่งตอนนี้ก็เรียกว่าเป็นปัญญาก็ได้นะวิปัสสนาก็ได้แต่เราก็ต้องเอามาทําต่อเวลาเราออกจากสมาธิมาเราก็ต้องคิดแบบนี้ต่อไปเพื่อให้เห็นได้ตลอดเวลาไมใา่ใช่เห็นเฉพาะเวลาที่เรานั่งสมาธิเพียงอย่างเดียวต้องเห็นตั้งตั้งแต่ตื่นจนหลับเลยเพราะเราเห็นร่างกายของใครเราก็เห็นทะลุเข้าไป ภายในเห็นกระโดดเห็นลำไส้เห็นอวัยวะต่างๆถ้าเราเห็นอย่างนี้แล้วการมาลาค้างก็จะเกิดขึ้นมาไม่ได้ท่องสวดมนต์ไม่เป็นแต่นั่งพนมมือฟังสวดมนต์ได้บุญไหมครับถ้าจิตสงบก็ได้บุญถ้ายังไม่สงบก็ยังไม่ได้บุญคุณวิไลครับถ้าเราเคยทํากรรมชั่วในอดีต แต่ปัจจุบันพยายามทำความดีให้มากที่สุดพอตายไปจะไปสวรรค์พอหมดต้องตกนรกจากการเคยทำชั่วใช่หรือไม่ครับเข้าใจแบบนี้ใช่หรือไม่ครับอย่างเราเวลาเราตายไปนี้สมมติว่าถ้าบุญมีมากกว่าบาปบุญก็จะพาเราไปสวรรค์พอบุญที่พ า, าไปสวรรค์มันหมดมันกําลังอ่อนลงแล้วมันมีมันมีกําลังเท่ากับบาปบาป ก, ก็ยังไม่สามารถเด่งเราไปอบายได้เพราะบุญมันยังคอยดึงให้เราไปสวรรค์อยู่ แต่บุญก็ไม่สามารถดึงเราไปสวรรค์ได้เพราะว่าบาปมันดึงให้เราไปอบายเพราะมันมีกําลังเท่ากันช่วงนั้นน่ะเป็นช่วงที่เราจะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วมาสร้างบุญสร้างบาปใหม่ครั้งหนึ่งแล้วเวลาที่เราตายเข้ามันก็ดูผลลัพธ์ของบุญของบาปอีกทีว่าคราวนี้บุญกับบาปอันไหนจะมากกว่ากันถ้าคราวนี้บาปมากกว่าบุญบาปมันก็จะดึงใจเราไปอบายได้ ถ้าตายได้เราอยากทำให้บุญมากกว่าบาปทุกภพทุกชาติเราก็ยังไม่ต้องมาใช้กรรมแลบ่ายถ้าเราทําบุญให้มากกว่าบาปทุกครั้งที่เรามาเกิดเวลาตายไปบุญก็จะนึงเราไปสวรรค์บาปจะไม่มีกําลังที่จะดึงเราไปอาบ่ายได้เวลาที่คิดถึงลูกที่จากไปสวดแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ลูกเขาจะได้รับไหมครับเพราะถ้าอยากอุทิศบุญต้องทําบุญต้องทําบุญต้องไปทำบุญใส่บาศ แต่อูทินบุญด้วยการความคิดเฉยๆมันไม่มีบุญเราต้องทําบุญแล้วมีเราทําบุญ เ, เราจะมีความสุขใจความสุขใจเนี่เราคือบุญที่เราสามารถแผ่ไปให้กับผู้ที่น้อมรับไปได้อาจารย์ครับมีคนหลายคนคอมเมนต์ว่าฟังธรรมะแล้วจากพระอาจารย์แล้วมีความสุขใจมากเลยครับพวกเนี้ยครับอันนี้ก็เป็นบุญ น, นะเนี่ยถ้าฟังธรรมแล้วมีความสุขใจก็เรียกว่าเป็นบุญ คุณกิกส์ครับที่พระอาจารย์อธิบายเรื่องจิตที่รอกายมาเกิดจิตนั้นคือจิตเดียวหรือเป็นหลายๆจิตมารวมรวมกันเช่นจิตที่ต้องการกินเหล้านี่เกิดจากจิตที่ต้องการกินเหล่าหลายๆจิตมาประชุมกันหรือเปล่าครับจิตเดียวเนี่ยมันสามารถที่จะมีความอยาดได้ในหลายรูปแบบด้วยกันจิตเดียวบางทีก็อยากจะกินเหล้าบางทีก็อยากจะบวยบางทีก็อยากจะแต่งงานมันก็จิตเดียวเท่านั้น การศึกษาปริยัตต้องศึกษาถึงระดับใดจึงจะเพียงพอต่อการปฏิบัติจึงจะเข้าสู่ปฏิเวทได้ครับเอหมืนถ้าแนวทางของสายปฏิบัติก็ไปเรียนกับครูบาจารย์มาอยู่กับท่านแล้วก็ฟังเทศของท่านไปอย่างไรก็ต้องมาศึกษาระดับนักธรรมตีก่อนก็ได้จะได้พื้นฐานของธรรมะที่พระเจ้าทรงสอนก็จะได้รู้จกักมรรคแปอริยาาสัจ4ี่ อิติบาทสี่พรหมวิหารสี่อะไรทํานองนี้เท่านี้ก็พอแล้วเรียนนักทำเตี๋ยวนีเราต้งสือนักทำเตีหลักษณ์นักทำเตี๋ยเปหนังสือนวงสืที่เขาสอนพระที่บวชไปเท่านี้ก็พอแล้วสาหรับปริยัติที่จะเอาไปใช้ในการปฏิบัติแต่ยังแต่ยังต้องไปศึกษาต่อด้วยการไปอยู่กับครูบาอาจารย์แล้วครูบาอาจารย์ท่านจะสอนเรื่องสติเรื่องสมาธิเรื่องรักษาพระวินยัยต่างๆอันนี้ก็ เป็นการสอนไปในปฏิบัติไปไม่จําเป็นที่จะต้องแยกระหว่างปริยัติกับปฏิบัติทางทางสายปฏิบัติที่เราถือว่าปริยัติปฏิบัตินี้ทั้งไปพอๆกันรวบคู่กันไปคุณแพรครับการถือศีลห้าอย่างเคร่งครัดจะเป็นการปรกันตีให้ไม่ต้องตกไม่ต้องตายแล้วไปอบายภูมิได้ไหมครับก็ขึ้นอยู่กับว่ามันทําได้จริงหรือเปล่า เพราะบางทีถ้าเกิดเราเกิดมีเหตุการบังคับเหล่านี่เราอาจจะทําไม่ได้ก็ได้ตอนนี้เราจะคิดว่าเราทำได้แต่วันนี้คืนนี้มีเหตุการณ์มาที่มาบังคับให้เราต้องทําบาปเนี่ยเราจะฝืนมันได้หรือเปล่าอนี้ก็ต้องดูแล้ถ้าพูดโดยทางทฤษฎีถ้าเราร ส, สิทธิ์ทได้ตลอดชีวิตนี้เราก็ไม่ไปอาบายอย่างแน่นอนขึ้นอยู่กับว่าบาปเก่าเรามีมากหรือไม่ด้วยนะถ้ายังมีบาปเก่าอยู่มากกับาบุญ บาปเก่าก็ยังอาจจะสามารถนึงให้เราไปเกิดในอาบายได้ดงนั้นเพื่อทางที่จะสกัดกั้นบาปไม่ให้เราไปเกิดในอาบายเราก็ต้องสร้างบุญเข้ามาสู้กับมันด้วยวก็าต้องพยงายามทำบุญทำทานรักษาศีล น, นั่งสมาธิถ้าเรา ม, มีบุญเหล่านี้แล้วเราก็สามารถที่จะต้านบาปเก่าได้แล้วเราก็ไม่สร้างบาปใหม่ขึ้นมาอยากรู้ว่าคนที่คิดไม่ดีกับเราเราควรจะทำอย่างไรครับ ก็เขาก็เหมือนกับดินฟ้าอากาศเราไปทําอะไรกับเขาได้เปล่าคนจะตกแต่เจ้าเราไปห้ามเขได้เปล่าเช่นใดก็เราก็ไปห้ามคนที่เขาจะคิดดีแล้วไม่ดีกับเราได้ไม่ได้ก็ปล่อย้เขาทําไปแล้วอย่าไปเดือดร้อนก็มันก็จบปัญหาคือเราชอบไปเดือดร้อนอยากให้เขาคิดดีพอเขาไม่คิดดีเราก็เลยเดือดร้อนขึ้นมาเท่านั้นเองอย่าไปหวังอะไรจากใครน่าก็จะไม่เดือดร้อนคุณมินิมอลครับ การทำวิปัสนาในขณะที่นั่งสมาธิเราจะพิจารณาอะไรบ้างครับ เ, รเวลาทำวิปัสนาในขณะที่นั่งสมาธินี้เราไม่ไม่พิจารณาเราทำสมาธิเราก็ทำหยุดคิดไม่ต้องกาดคิดอะไรต้งแยกกันระหว่างวิปัสนากับสมากับสมาธิไมไ่ทำทีเดียวพร้อมกันถ้านั่งสมาธินี้แสดงว่าเราไม่ต้องการคิดไม่ต้องการวิปัสนาเราต้องการความสงบส่วนวิปัสนาน h i เราใช้ในตอนที่เกิดความทุกข์ขึ้นมา เสมอวา่าเราตั่งสมาธิแล้ว เ, เกิดความทุกข์ทางร่างกายขึ้นมาน้อยใจไม่สงบใจมือ่อภาวะโควนกับความเจ็บของร่างกายตอนนั้นอะเราก็จะใช้วิปัสสนาได้ด้วยการพิจารณาความเจ็บของร่างกายให้เห็นว่าเป็นไตรลักษณ์เป็นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงเป็นอนัตตาเป็นของที่ไม่มีตัวตนไม่มีใครควบคุมบังคับกันได้ที่เราทุกข์เพราะเราอยากจะให้มันหายถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ ปล่อยวางมันปล่อยให้มันทุกไปปล่อยให้มันเจ็บไปปล่อยป่อยให้มันแสดงตัวไปพอเราพิจารณาแบบนี้เราก็จะสามารถปล่อยวางทุกขเวทนาได้อันนั้นก็เรียกว่าเป็นวิปัสสนาในขณะที่เรานั่งสมาธิแต่ถ้าขณาที่เรานั่งเราไม่มีไม่มีทุกขเกิดขึ้นเราทําวิปัสสนาไม่ได้เราก็ทําสมาธิไปเพียงอย่างเดียวดูลมไปไม่พุโทโธไปเพื่อทาําัจจัยสงบ ไม่มีที่ยึดเหนี่ยวจิตใจเลยครับจะต้องทําอย่างไรดีครับก็ฝึกสติไงเป็นสตินี่มันเชื่องยึดเหนี่ยวจิตใจที่ดีใช่ไหให้คําบาลรคำพุทโธพุทโธไปนึกถึงพุทโธพุทโธอยู่เรื่อยๆหรือมาเช่นนั้นก็คอยเฝ้าดูร่างกายเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของเราร่างกายกำลังทำอะไรก็ให้รู้อยู่กับการกระทํำของร่างกายอย่าปล่อยให้ใจลอยไปลอยมากับความคิดต่างๆ คุณดอล่าครับถ้ามีเวลาเข้าห้องพระวันละหนึ่งชั่วโมงควรปฏิบัติอะไรดีที่สุดระหว่างสวดมนต์เดินจงกรมหรือนั่งสมาธิครับก็แล้วแต่เราเราทําอย่างใดก็ได้ทั้งสามอย่างนี้ก็ได้เป็นกันนะคนที่ป่วยเป็นโรคทางจิตตเวทสามารถนั่งสมาธิได้ไหมครับจะเห็นภาพหลอหรือทําให้คลื่นสมองเปลี่ยนไปไหมครับ คงะยากอะาคนที่มีจิตตะแวนนี่แสดงว่าไม่มีสติถ้าสามารถดึงสติกลับมาได้ก็สามารถปฏิบัติทำได้นั่งสมาธิได้แต่ถ้าไม่สามารถดึงสติให้กลับมาให้ใจอยู่กับพุโทโธพุโทโธได้ก็ไม่สามารถที่จะฝึกสมาธิได้คุณไลท์ครับโลกเราอาจจะถูกสร้างโดยมิเป็น ผู้มีปัญญาเหนือมนุษย์เช่นระบบเวียนไหวตายเกิดหรือปัญญาอย่างมนุษย์เกิดมาได้อย่างไรทําไมธรรมชาติจึงมีระบบที่ซับซ้อนได้ท่านเราบรรลุธรรมแล้วจะสามารถทราบความจริงเหล่านี้ไหมครับไม่ต้องบรุษุธรรมก็สามารถเขา้เข า, เขาถึงความจริงเหล่านี้ได้เช่นนักวิทยาศาสตร์ก็เห็นว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นเรื่องของเหตุปัจจัยที่มากระทบกันทั้นนั้นเองมีเหตุมีปัจจัย มีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงของของของธาตุทั้งสี่ดินน้ำลมไฟแต่เขาไม่ได้พูดถึงธาตุสี่เขาพูดถึงเรื่องเรื่องออกซิเจนเรื่องไฮโดรเจนเรื่องอะไรต่างๆนี้เรื่องของการเคลื่อนไหวของของอะไรต่างๆทึ่งนี้นักวิทยาศาสตร์ก็วิเคราะห์กันเขาก็เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้มันไม่มีใครเป็นคนสั่งมันเป็นเรื่องของระบบของธรรมชาติที่มันเป็นไปของมัน ยอมรับว่าต้องตายทำให้เบื่อหน่ายกายควรวางใจอย่างไรครับยอมรับว่าต้องตายแล้วเบื่อหน่ายกายต้องทำใจเลยอับก็ก็ น, กกนกี่นนนคือการทำใจการยอมรับแล้วก็การเบื่อหน่ายนี่คือการทำใจอยู่แล้วอยให้ไปทำอะไรอีกถ้าอยอมรับได้เบื่อหน่ายกายก็จบเราก็ไม่ทุกข์กับาน้กายต่อไปก็ไม่ต้องทำอะไร ถ้ายังทุกข์อยู่กับร่างกายอยู่ก็แสดงว่ายังไม่ได้ยอมรับความจริงยังไม่ได้ปล่อยวางร่างกายยังไม่เบื่อหน่ายร่างกายจริงคุณขันิฐาครับลูกคุยกับสามีว่าจะหยุดทุกอย่างสามีจะไปบวชพระลูกจะไปบวชชีขอคําชี้แนะจากหลวงพ่อแต่ลูกยังหาที่ไปไม่ได้ครับก็ต้องคน้นคว้าอยู่เนี่ยวัดไหนที่มีที่พักที่เรา จะอยู่ได้แลวเหมาะสมกับเราแต่ละาตแต่ละวัดแต่ละสถานที่ก็มีกฎมีเงื่อนไขในต่างๆที่อาจจะไม่เหมือนกันเราก็ต้องค้นหาดูสมัยนี้เราโชคดีมีอินเทอร์เน็ตเนี่ยค้นหาดูสิสำนักปฏิบัติธรรมสำหรับผู้หญิงแค่นี้ใส่เข้าไปเนี่ยมันก็มีผลขึ้นมาให้เราไปเลือกดูได้เยอะแยะไปหมดเลยแล้วหอไป แล้วเราก็ไปตามสำนังต่างๆแล้วเราก็ จ, จะสอบถามคนที่อยู่สํานักนั้นว่ารู้จักสํานักอื่นหรือเปล่าว่ามีอะไรบ้างอย่างไรก็สอบถามไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็จะได้คําตอบที่เราต้องการเป็นห่วงแม่ที่นอนอยู่โรงพยาบาลป่วยหนักหลายเดือนจนมีแต่ความกังวลเป็นห่วงจนกลัวเป็นซึมเศร้าขอพระอาจารย์แนะนําด้วยครับเพราะเราไม่อยอมรับความจริงว่ามันเป็นเรื่องธรรมดา ของร่างกายของทุกคนที่จะต้องเจ็บไข้ได้ป่วยแลอาจจะตายก็ได้แร้วอาจจะไม่ตายก็ได้ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถไปห้ามไปบังคับมันได้เราต้องยอมรับความจริงแล้วใจเราก็จะสบายใจเราก็จะสงบปัญหาคือเราไม่ยอมรับความจริงเราอยากจะให้แม่หายพอแม่ไม่หายแล้วก็เลยเครียดวิตกกังวลไปต่างๆานาคุณกรครับ การต่อสู้กับกิเลสมันยากมากๆจะมีอุบายสอนใจได้อย่างไรครับก็ต้องฝึกสติฝึกสมาธิฝึกปัญญาต้องรักษาศีลต้องทำบุญทำทานนี่คือเครื่องมือในการต่อสู้กิเลสก็ทำไปเท่าทำในในระดับที่เราทำได้ไปก่อนตอนนี้เราเสียสละแบ่งปันได้ไหมมีเงินทองที่เราไม่ต้องเก็บไว้หรือไม่ต้องใช้อาไปทําบุญทําทานได้ไหมอะไรเป็นต้น เราจะเเงินทางที่เราไปใช้กับสิ่งที่มนเป็นโทษกับเราจะเอาเงินทางไปซื้อของที่เป็นพิษเป็นภายแต่ร่างกายเช่นสุรายาเมาหรือบุหรี่เราเงินทางเนี้ไปทําบุญทำทานแทนได้ไหมอันนี้ก็เป็นการฝึกเราก็ต้องทําตามกํลาลังของเราก่อนทําได้มากได้น้อยก็ทําไปก่อนแนละ้ว่อไปเราก็จะมีกําลังเพิ่มมากขึ้นไปเลยแล้วเราก็จะสามารถต่อสู้กับกิเลสที่ยากขึ้นไปได้ การไปถือศีลแปดที่วัดเจ็ดวันสิบวันแบบปิดวาจาได้บุญมากไหมครับไปได้เพื่อไปไปทำจิตให้สงบถ้าจิตสงบ ก, ก็ได้บุญถ้าไปแล้วยังจิตไม่สงบจิตฟุ้งซ่านตลอดเวลาก็ยังไม่ได้บุญคุณดีเล่ครับเปรตและสัตว์เดรัจฉานใครสูงกว่ากันครับไม่ทราบเลยนี้เ็าไม่ทราบระดับว่าเขาแบ่กันยังไ เอาที่เห็นที่เขาเรียนลำดับก็ในราชาเนี่ยทุกน้อยกว่าเปรตเปรตที่ทุกน้อยก่อนสุรกายสุรกายทุกน้อยกว่อนนรกถ้าเขาเรียงลําดับตามที่เห็นเนียงลำดับพื้นทัพูดอยู่เรื่อยๆคือในราชาเปรตสุรกายนรกนก็เนืองจากการทําบาปเนี่ยบาปดับที่สุดก็คือข้อที่หนึ่งการฆ่าลองลงมาก็คือการลักทรัพย์ลองลงมาก็คือการมาพื้นปิดประเพณี ลองลงมาก็คือการพูดปดลดเราลงมาก็คือการเดื่มสารยามเมาการนั่งสมาธิจําเป็นจะต้องได้ชานไหมครับถ้าไม่ได้แล้วจะก้าวหน้าในสมาธิได้หรือไม่ครับกานั่งสมาธิก็เพื่อให้ได้ชาญเนี่ยเราเกินข้าวเพื่ออะไรละ่ะเราเกินข้าวเพื่อให้อิ่มใช่ไหมถ้าไม่อิ่มแล้วกินไปทําไมถ้าไม่อิ่มก็ต้องกินไปเรื่อยๆจกกนกว่ามันจะอิ่ม เอามาของเราไม่ได้อยู่ที่การกินเอามาของเราอยู่ที่ความอิ่มกินเพื่อให้อิ่ท้องจะได้หายทุกข์จากความหิวขณะนั่งสมาธิก็ทําใจให้สงบจะได้หายทุกข์จากความคิดฟุ้งซ่านต่างๆคุณไลท์ครับผู้ปฏิบัติเป็นพระอริยะแล้วสามารถเห็นอดีตและอนาคตของผู้อื่นได้ไหมครับและสามารถจะอธิบายสิ่งนี้ได้อย่างไรครับอันนี้แล้วแต่แต่ละคนไม่พระอริยะทุกคนนี้ไม่ ไม่ใช่จะมีความสามารถที่จะเห็นอดีตอนะาคตได้ทุกคนไปบางคนเห็นอนดีตได้แต่บางคนก็เห็นอดีตไม่ได้นั่นอยู่ที่ความสามาอันนี้เป็นความสามารถพิเศษไม่ได้เกี่ยวกับการเป็นภระริยะหรือไม่คนบางคนไม่ได้เป็นพระริยะก็สามารถระลึกชาติได้ก็มีเพราะมันอยู่ในระดับของสมาธิอยู่ในระดับอุปจารสมาธิการทําบุญทําได้อย่างไรบ้างครับ ก็เราพปอ่านจมีสิทธิประกาศในวิธีทําบุญเช่นหนึ่งทำทานการรักษาเสียการภาวนาการฟังเทศฟังธรรมการอุทิศบุญเวลาที่เราทําบุญแล้วเราก็อุทิศบุญได้การรับใช้ผู้ช่วยเหลือผู้การเป็นผู้มีความอ่อนน้อมถ่อมตนการการให้ธรรมะแก่ผู้อื่นธรรมาทานอันนี้ก็เป็นการทําบุญนะั เขาเรีย่ามูลกิเลสสิบประการหนึ่งมูลกิเลวัตถุสิบประการลองไปค้นดูนในอินเทอร์เน็ตเดยวก็ได้บุญญากริยาวัตถุสิบประการคุณวิหกครับเวลาทุกข์ไม่อยากเกิดอีกไม่อยากอยู่บนโลกนี้ภาวนาดับทุกข์ได้ชั่วคราวพอไม่ได้ภาวนาก็ทุกข์อีกเวียนวนไปอย่างนี้จะทําอย่างไรเมื่อต้องใช้ชีวิตอยู่กับโลกโลกครับก็อย่าหยุดภาวนาสิ เวลาเหมือ น, น, น, นคนกินคนกินยาเวลากินยาก็ไม่เจ็บพอไม่กินยามันก็เจ็บก็ต้องกินยาไปตลอดชีวิตนะ่ะจะได้ไม่เจ็บเหมนการจิตเราก็เหมือนกันต้องภาวนาไปจนกว่าความทุกข์จะไม่มีเพราะเราถึงจะหยุดได้ถ้ายังมีความทุกข์อยู่เราก็หยุดการภาวนาไปไม่ได้ทุกวันนี้คิดแต่เรื่องที่เครียดพยายามหยุดคิดแต่ก็ทําไม่ค่อยได้ จะต้องทำอย่างไรครับเพราะเราไม่ฝึกสติไงต้องพยายามฝึกสติขยันฝึกสตินึ่งตาขึ้นมาก็ฝึกพุโทโธพุโทโธไปอย่าปล่อยให้ใจคิดเรื่อยปต่อไปเราก็จะควบคุมความคิดได้อยู่ความคิดได้คุณสราวุธครับคนที่ชอบน้อยใจเก่งเอาแต่ใจเกิดจากอะไรครับและจะมีวิธีรักษาอย่างไรครับก่อนจากความอยาก อยากได้นูน่นอยากได้นี่พอไม่ได้ก็น้อยใจเสียใจลดความอยากลงฝึกสันโดษยินดีตามมีตามเกิดเขาจะไม่น้อยใจเขาให้เราก็ได้ให้น้อยก็ได้ให้มากก็ได้ให้สิ่งที่ถูกใจก็ได้ไม่ถูกใจก็ได้เราไปหมดตามมีตามเกิดก็จะไม่ต้องน้อยใจเสียใจ การที่เราระลึกถึงบุญที่เราเคยทํามาแล้วในอดีตและแผ่บุญออกไปสามารถทําได้ไหมครับบุญนี้ไม่แผ่บุญไม่อุทิศเนนะี่ยแต่บุญเก่านี่อุทิศไม่น่านะถ้าอยากจะอุทิศต้องไปทําบุญใหม่คุณซูเปอร์บอครับเวลานั่งดูลมหายใจเข้าออกพร้อมกับบริกรรมพุทโธนอกจากดูลมที่ปลายจมูกแล้วต้องตามลมไปที่ปอดไหมครับ ไม่ตามลมให้ให้ดูอยู่ที่จุดเดียวอยู่ที่ปลายจมูกจุดเดียวลมเข้าลมออกไม่ต้องตามเข้าไปไม่ต้องตามออกมาถ้ามีคนนินทาเราควรทำตัวอย่างไรครับก็มองงอเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศเนะี่ยทำยังไครับดินฟ้าอากาศเราห้ามดินฟ้าอากาศได้ไหรือเราก็ห้ามคนนินทาเราไม่ได้ก็ปล่อยคนนินทาไป เทพชั้นจาตุมอายุห้าร้ยปีทิพย์เท่ากับเก้าล้านปีมนุษย์แบบนี้จริงไหมครับก็ต้องเป็นเรื่องของตำราน่ยจะเชื่อไม่เชื่อเราก็ไม่รู้เหมือนกันถ้าเรายัางพิสูจน์ไม่ได้ก็ฟังหูวไหวหูวก็แล้วกันทำอย่างไรจะระงับความคิดอคติกับบุคคลที่เราไม่พึงพอใจได้ครับก็เวลาคิดก็หยุดมันเสียใช้คำว่าคริกรรมพุทโธหยุดมันพุทโธมันเบรคนเบรคของความคิด พอเราเริ่มคิดถึงคนความไม่ดีของคนนั้นคนนี้แล้วก็หยุดมันด้วยใช้คําบริกรรมพุโทโธพุโทโธไปแเราอยู่กับพุโทโธไปสักพากความคิดไม่ดีนั้นก็จะหายไปถ้ามันกลับมาใหม่แล้วก็พุโทโธใหม่ <c oughs> มีคนอยู่คนหนึ่งเคยบวชเป็นพระหนึ่งพันษาแต่ผิดขั้นปรารชิกโดยรู้เท่าไม่ถึงการแล้วลาสี ข, ขาวมาแต่หลังจากนั้นเขาก็กลับไปบวชอีกสองพรรษาเพราะเขายังเข้าใจว่าตัวเองยังไม่ผิดขั้นปรารชิก ระหว่างนั้นเขาก็ศึกษาธรรมะแล้วถึงราสีขาวมาทุกวันนี้เขาทุกใจมากโทษตัวเองว่าทําบาปต่อข้อสงาย่างมากมายมหาศาลเขากลัวว่าตัวเองจะไปสู่อบายหลังตายไปแล้วแบบนี้ควรจะแนะนําให้เขาทําอย่างไรดีครับก็การการการที่ถูกตั้งปาราชัยนี้ก็เป็นการห้ามให้ไปบวชตนเองแต่ไม่ได้ห้ามเราให้เรามาปฏิบัติธรรม เราก็ยังมาปฏิบัติธรรมต่อหน้าในฐานะคารวะาที่ก็ไม่อยู่เป็นพระเพราะว่าเป็นทําเปสร้างความเสียหายให้กับองค์กรฉะนนมีหมอปลอมเข้ามาเงี้ยใช่ไหมพอมีหมอปลอมเข้ามาเขาก็ต้องเชิญออกไปถ้าปล่อยให้หมอปลอมอยู่ในองค์กรเนี่ยก็มาสร้างความเสียเสียชื่อเสียงให้กับองคนะ์กรได้ฉันได้เวลามีาพระปลอมเข้ามาอยู่ในาศาสนาเขาก็ต้องไล่ออกไปพประปลอมก็คือเนี่ยถัดปรายชนี้ก็ถือว่าเป็นพระปลอม เป็นพระแทนแล้วเราะว่าเราขับเราออกไปจากจากวัดจากศาสนาท่านเองแต่เขาไม่ได้ห้ามให้เราไปปฏิบัติธรรมต่อเราก็ไปปฏิบัติธรรมต่อได้เราก็ไปรักษาศีลได้ไม่ทําบาปได้เมื่อเรารักษาศีลไม่ทําบาปได้เราก็ไม่ไปอบายได้มันไม่ได้อยู่ที่การที่เราไปเป็นปรัชชินก็เราจะไม่สามารถทำลายได้แล้วไม่ใช่อย่างนั้นยังทํำลายต่อไปได้ยังปฏิบัติธรรมได้รักษาศีลปฏิบัติสมาธิปัญญาได้ แต่ไม่ให้อยู่ในรูปแบบของพระท่านั้นเองสามีบอกว่าภรรยาขี้บน่นภรรยาขี้บ่นบาปไหมครับ <c oughs> ก็แล้วแต่เรา บ, น บ, บน่นนะถ้าบน่นเพราะว่าเป็นการสอนเรามันก็ไม่ไม่ไม่บาปเป็นบุญเช่นด้วยซ้ําไปมีคนที่คอยสอนเราคอยบอกเรื่องความบกพร่องให้กับเราอย่างนี้มันก็น่าจะถือว่าเป็นบุญที่มีคนคอยสอนเรา คอยบอกเตือนแล้วว่าเรากําลังทําอะไรผิดอย่างนี้ไปบวชชีพรามแต่มีเหตุไม่ได้รัลาสิกขากับพระแต่เราสามารถมาลาสิกขากับพิ่งพพาที่บ้านได้ไหมครับเราลาสิกขาที่ใจเราเนี่ยแหละแล้วก็เพ่งจะบอกใจว่าต่อไปนี้เราไม่ปฏิบัติไม่บวชนะแล้วก็จบคํถาถามสุดท้ายค่ะพระอาจารย์ครับ ตอนนี้พี่ชายอายุห้าสิบหกป่วยรอผลตรวจชิ้นเนื้อควรพูดคุยกับเขาอย่างไรเพื่อให้กําลังใจและให้เขาไปวางครับมไม่ควรพูดเลยถ้าเขาไม่มาคูดกับเราถ้าเขาไม่ถามเราก็ปล่อยเขาไปตามเรื่องของเขาดีกว่าเพราะเขาอาจจะไม่ไม่หวังอะไรจากเรานั่งเราไปพูดเหียืยวทานที่จะพูดให้เขามีความสุขก็อาจจะทุกข์มากขึ้นไปก็ได้ถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไร นถ้าเราไม่รู้ว่าจะพูดอะไรแล้วเขาไม่ต้องการที่จะมาปรึกษาตเราแ ล, แล้วก็ไม่ควรที่จะพูดอะไรควรจะทำในสิ่งที่ทำให้เขามีกำลังใจช่วยดูแลเขาช่วยหาหน้าหาข้าวมาให้เขากินอย่างนี้จะดีกว่าแล้วทางหน้าจิตใจนันทั้งมันต้องค่อนข้างที่จะบบกบางเราต้องดู้ว่าเขาพร้อมแลวเราต้องรู้ว่าเรามีอะไรที่จะพูดให้เขามีกำลังใจหรือไม่ถ้าเราไม่ดีเราก็ทาใจเฉยๆไปดีกว่า โอกาสครับอาจารย์ครับวันนี้มีเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ในเฟส934ใน u 571ในคลับ8นะครับติ๊กต็อก926ครับรวมกันเพื่อนๆฟังธรรมอยู่ด้วยกัน 2,439 คนครับอาจารย์ครับวันนี้หนาสูงพอสมควรนะสูงกับนอร์มแล้วก็ยังไม่ถึงกำมิวไฮเหมือนคราวที่แล้วคราวที่แล้ว 2,600 นะครับวันนี้ที่ที่ ตอนบ่ายก็มีพันสามด้วยกันโอ้พันสามก็ถือว่ามากเพาปกติจะมาอยู่ประมาณพันหนึ่งหรือเก้าร้อยกว่า <Okay. S 1> แต่วันนี้กับเมื่อวานนี้ขึ้นพ 1300. 1300ันสามพันสามแล้วพันสี่นี่สามมันวอรคนเยอะห <c oughs> อาจารย์เทศทีเดียวได้คนฟังขนาดนี้คุ้มมากเลยครับอาจารย์ ค, ร <c oughs> คุมหวังว่าคงจะได้อาไปใช้เกิดประโยชน์นั่นเอง เราเป็นเพลงแต่ผู้บอกทางแต่เราไม่สามารถปฏิบัติแทนได้ผู้ฟังผู้ศึกษาต้องนำเอาไปปฏิบัติตถ้าปฏิบัติได้ก็จะได้รับผลได้บรรลุธรรมขั้นต่างๆอย่างแน่นอนฉั้นก็ขอชื่นชมยินดีกับท่านทั้งหลายที่มามีความสนใจในการฟังทำและหวังว่าคงจะได้เกิดประโยชน์ต่อไปสำหรับวันนี้ที่ว่าพอสมควรแก่เวลา ก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไปพินินพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในชธรรมยิ่งขึ้นไปเถิดสาธุก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่านี้ถ้าไม่มีเหตุการณ์อะไรขัดข้องก็คงจะได้พบ ก, กันอีกเช่นเคยในอาทิตย์หน้าขอจเจริญพรจากบับปะคุณภร ะ, ระาจายครับ